ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวารชาวเรื่องคุยอัตตาสู่อนาคามีภูมิโดยพระท่านพูดที่รักเมื่อวันที่13สิงหาคม2535ที่พุทธสถานปฐมปสุ ข, ขเขาจนาท่านติตาท่าฟังได้นะบัตรนี้ ปัญยายกันไปมากมายนะเอาสูตรต่างๆมาอ่านแล้วก็เอามาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์มาขยายกันให้พวกเราได้รู้เนื้อหาที่ลึกซ้อนเป็นสภาพมุนรอบเชิงซ้อนกันชัดๆขึ้นตั้งแต่อินทรีย์ห้าพละห้าของคนเราเนี่ยเราจะเกิดความเชื่อ อินทรีห้าก็มีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในโพธิปักคีรธรรมและอินทรีห้าพระหเนี่ยเราสร้างชีวิตของเราหรือว่าเราพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยเราพัฒนาอินทรีห้าอย่างนี่แหละชีวิตของเราเนี่ขึ้นอยู่กับอินทรีห้าอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับอินทรีย์และพระขึ้นอยู่กับหลักหอย่างนี่แหละความเชื่อ แล้วก็ความเพียรคนขาดความเพียรไม่ได้นะขาดไม่ได้จริงๆคนขาดความเพียรแล้วกลายเป็นหมูเป็นหมาไปเลยกลายเป็นสัตว์เดรริชานกลายเป็นคนตกนรกกลายเป็นคนต่ำคนเสื่อมคนทีขาดความเพียรในเสื่อมจริงๆยิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองได้เปรียบและส่วนมากไม่ค่อยมีปัญญาเพราะว่าส่วนมากในพระเจ งมงายคือมันจะหลงตัวมีอัตตามีมานะมีตัวตัวตัวเราแล้วเราก็ได้เปรียบเราจะไม่รู้สึกตัวตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองสบายตัวเองเบาตัวเองง่ายตัวเองไม่ต้องทำอะไรมันเป็นเรื่องของขี้เกียจมันเป็นเรื่องของเห็นความเห็นเกตตัวมันเป็นเรื่องของไม่ฉบทบาทมันเป็นเรื่องของการอยู่นิ่งอยู่เฉยนั่นคือความเสื่อมคือความทีนังมิทังคือความตกผลึก น่ะคือสภาพที่เคยที่แม้แต่คนไม่ต้องศึกษ า, าศาสนาพุทธในไมด้าที่เคยเอามาเล่าให้ฟังว่าเขามองเห็นเป็นสภาพของอ ะ, อะไรคริสคริสัลไลซ์เป็นการตกผลึกเป็นการเฉยเป็นการนิ่งเป็นการหยุดนั่นแหละถ้าเผราอว่าสภาพมันดีขึ้นมันดีขึ้นพอสมควรแล้ว และยิ่งมันอุดมสมบูรณ์มันอะไรแล้วมันจะเฉยละมันจะไม่กระตือรือร้นแล้วนั่นคือเลือดเก่าของปุถุชนเลือดเก่าของปุถุชนคือถ้าเราจะขค ย, ยันถ้าเราจะมีความเพียรเนี่ยเราจะต้องเพียรเพราะว่ามีอามิสเป็นเครื่องหล่อเพียรต้องมีสิ่งที่เป็นลาบยศสันเสริญหรือโลกีสุขเป็นเครื่องหล่อเราจึงจะทําถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีอํานาจอะไรมาดุ่มดันเงินเราก็จะเฉยจะเฉย ก็อยู่เฉยๆมันก็มีกินมีอยู่แล้วเราก็ยิ่งมีส่วนหนึ่งด้วยว่าเราก็ไม่กระตือรือร้นในการที่จะไปแย่งลาบยศสันเสริญโลคีสุขของใครแล้วด้วยศึกษามันในขั้นตอนหนึ่งแล้วแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็เห็นดีเราก็เห็นจริงเออไปอย่างจริงก็ต่ น, นนั้นแล้วพอมีพอกินพออยู่มันมีสันโดษพอสมควรนะมันมีการพอใจมันก็พอแล้วนี่กินแค่นี้อยู่แค่นี้ไปก็เดินทางไปสู่วันตายไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหน็ดไม่ต้อง หนักหนาไม่ต้องลาบากลาบนอะไรนี่เปล้อยไปมันก็เป็นอัตราอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นความติดยึดในพบในภาะตันหามันก็ดีนะดีขึ้นมาประมาณหนึ่งอ่ามันก็เจริญขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแต่มันไม่เจริญต่อมันไม่ได้ล้างพราวะตันหามันไม่ได้ล้างอัตรามันไม่ได้ล้างภพชาติของตัวเราเองที่เราติด แม้ว่าไม่เป็นนั่งชานนะไม่เป็นนั่งติดรูปประชานติดอรูปประชานมันก็คือชานมันยินดีในความสงบระงับอยู่ประมาณนึงนะไม่ใช่มายินดีนะมันยินดียินดีในความสงบระงับอยู่ประมาณนึงแต่ความสงบระงับอย่างนั้นนะมันเป็นความสงบระงับที่หมักหมกอยู่ด้อัตตามานะ <mumbles. S 1> ความเห็นแกตตัวความไม่มีความเพียรไม่มีความเสียสละคนไม่ได้ประเสริฐสุดอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่า พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนคนให้เป็นคนเหมือนอย่างฤาษีส่วนคนของพระพุทธเจ้าที่สอนเนี่เป็นคนที่ประเสริฐสุดเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ในโลกในสังคมมีสมรรถภาพนะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักอย่างที่เอามายืนยันแล้วว่าสมณะของพู้ทธมีอิทธิบาทสี่เป็นเครื่องแสดงนะมีความยินดีมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เป็นคนกระปรีก้กระเปล่าเป็นคนเบิกบานร่าเริงเป็นคนมีเนื้อตัวความเพียรเนี่ยเป็นบทบาทที่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นคนคน้นคว้าเป็นคนมีบุญมีเ ว, ยวียวยวจัยม่มีความคนา้นคว้ามีความเอาภาระมีความเอาใจใส่ในงานการของสัป พ, พรมจารีในงานการของเพื่อนพรมจรันในงานการของพุทธบริษัทสี่ะพุทธบริษัทสีคือคนทั้งกลุ่มคนทั้งหมู่แล้วก็เป็นหมู่ที่งามดังที่เอาโสพล สังคโสโภพนสูตรม า, อ, าอ่านมาขยายให้ฟังมามามาปองหลักว่ามูจะงามนั้นก็เพราะว่ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาแล้วก็ยืนยันเอาปฏิปันนสูตรมาขยายแล้วว่าผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นคนภายในไม่ใช่คนภายนอกนั้นหมายถึงอริยะบุคคลไม่ได้หมายถึงปุถุชนบุคคลผู้เป็นภายนอก เราเรียกว่าคนภายนอกนะั่นคือปุตุชนคนเพี่ไม่มีอินทรีห้าพระหบอกแล้วว่าอินทรีย์5หรือว่ามีสัตทินทรีย์มีกําลังของความเชื่อนั่นนะไม่ได้เชื่อธรรมดาไม่ได้เชื่ออย่างปุตตชนปุตตชนเขโลกโล ก, ก็เชื่ออย่างนั้นนะโลกียะลาบยอดสันเสริโลกียะสุเป็นเครื่องอยั่งชีวิตไปเขาก็เป็นสุขอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นความเชื่อหรือความเพียรหรืออะไรแต่ใดพวกนี้มันเป็นอินทรีย์มันเป็นสภาพที่จะต้องมีอินทรีย์มีพระห้ขึ้นมา ถ้าไม่มีอินทรีย์ห้าไม่มีพลราหห้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็ก็เป็นคนอยู่ด้วยโลกเก่าโลกเดิมๆปุถุชนอย่างเดิมโลกนี้เกิดมาก็มาเป็นปุถุชนกันก่อนทั้งนั้นน่ะมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์แต่เป็นมีโอกาสเป็นมนุษย์บ้างก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนเป็นสัตว์ที่สอนได้เป็นสัตว์ที่มีภูมิปัญญาที่จะรับรู้โลกุตตรธรรมเป็นบ้างอะไรบ้าง เขาก็เข้าใจไปเขก็พัฒนาขึ้นมาจนมีอินทรีย์ห้าพละหาจริงฟังธรรมะไดา้เข้าใจโลกที่เจริญเป็นโลกุตระเนี่ยเป็นโลกที่พิเศษเป็นโลกที่อีกอย่างหนึ่งเลยทวนกระแสกันและไม่ได้มีสุขอย่างโล ก, กียะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องมีสุขจริงๆมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะเจนัพระอาหารหันต์เจ้าเนี่ยอยู่กับทุกข์ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้มีทุกข อย่างที่เคยอธิบายแล้วว่าท่ามีทุกข์อยู่ก็ทุกข์เห็นแต่ทุกข์เท่านั้นละไม่มีหลอกสุขไอ้สุขเน่ยเป็นภาษาเรียกเฉยๆคือมันก็เบาก็ว่างก็ง่ายมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ลําบากออยู่อยองไม่ยากอยู่ไม่ลําบากแต่ทนได้ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลําบากนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ก็การปวดขีดปวดเยี่ยวก็ทนได้ท่านเองท่านจะรู้สึกอย่างนี้ความทุกข์ที่ท่านเข้าใจแล้วเออถ้าเผื่อว่า อ, อ จะต้องขยันจะต้องทํางานจะต้องเอาใจใส่จะต้องขนขวายท่านก็ขนขวายท่านก็มีความกระปรี้กระเปามีความอุตสาหาริยะขนขวายเป็นบุญถ้าเป็นตัวบุญท่านจะขนขวานี่ท่านก็เหมือนกันท่านรู้สึกว่าเออท่านปวดขี้ปวดเยี่ยวแล้วท่านก็บ่มบัดซะมันไม่ได้ยากอะไรปวดขี้ปวดเยี่ยวก็รู้วิธีปลดปล่อยแล้วก็ไปขี้ไปเยี่ยวซะก็จบ เพราะฉะนั้นถ้าเบอกว่าจะทํางานจะขนขวายมันก็เหมือนกับชีวิตง่ายๆอ่ะมันปวดขี้ปวดเจียวมันไม่ยากอะไรนี่มันเป็นทุกข์ธรรมดาเป็นนิพพัททุกข์แสวงหาการงานก็เป็นอาหารอริยยะทิฏฐุข์เป็นทุกข์ที่จะต้องแสวงหาปริเยัตินี่แปลว่าแสวงหาแสวงหาการงานแสวงหาอาหารให้ตัวเองกินมันไม่ยากมันเบาๆมันง่ายๆแต่มันก็ต้องออกกําลังมันก็ต้อง อขนขวายมันก็ต้องสแสวงหามันก็ต้องพัฒนาปวดขี้ก็ต้องแว่งหาสแสวงหาการปลดปล่อยปวดเดียวกับสแสวงหาการปลดปล่อยนะมันมีการมีวิบากมาขอางวิปิปากกระทุกทุกเป็นวิบากเก่ามันก็รู้ว่ากระทุกบางทีมันก็มากก็นหนักเหมือนกันนะบางทีมันเจอวิบากหนั ก, นกมันไม่เบาเหมือนกับผู้ที่มีบุญมากๆจักรพรรดเจ้าแข่ทุกคนมา ต่อมาว่าคนมาดา่าคนมาหาใส่ความกล่าวหาอะไรท่านต่างๆนั้นนะคนจะต้องมาต่อสู้ท่านก็ต่อสู้ตามประสาท่านเขาก็มันก็ทุกนะแต่ทุกอย่างนั้นท่านก็เบาท่านก็ง่ายเราอาจจะมีวิบากมากกว่านั้นมีการมาต่อสู้มีการเจอต่อคู่อริคู่เวนคู่กรรมคู่บา ร, รมีอะไรที่จะต้องมาขับมาเคี่ยวกัน มันมีเป็นธรรมดาธรรมชาตินะมีมีคู่บารมีอะไรอะไรเราก็มองไปในแง่ดีว่าเออคู่บารมีคนนี้นี่นะแม้จะเป็นแฟนกันมาก็ต้องมาเลิกกันนั่นแหละเป็นทางสุดถูกที่สุดทางสุขทางที่จะพ้นทุกแท้แม้จะเป็นอริอริกันมีเป็นศัตรูกันทะเล า, าะเบาะแหวงขากแกงกันมาก็จะต้องฟองไปในแง่ดีว่าเออต้องต้องพยายามวางใจกันให้ได้พยายามทําดีกับคนที่เป็นอริเนี่ยเราต้องอภิษฐ์เราต้องอภัยเราต้องพยายามรับลูกใครเป็น อ, อยู่กันให้รอดอัตมาพูดไปอันหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยมองเพ่งกันแล้วก็ตำหนิติเตียนกันบางคนตำหนิติเตียนกันบางคนที่ทางสอนสอนมากๆสอนจนหลายคนลำคาญอัตมา ก, ก็ถามว่าเขาสอนผิดหรือเปล่าเล่าเขาพูดธรรมะหรือว่าเขาสอนก็พูดไปในทา ง, ทางฟุง้งซ่านทางเพอเจอร์ถ้าพูดในทางฟุ้งซ่านเพอเจอร์ก็เตือนกันบ้าง แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดไปในทางเพลจรเจอไม่ได้พูดไปในทางฟุง้งซ่านเขาก็สอนธรรมะทนฝังให้ได้นะพระเจ้าเจาะปากมาให้เขาพูดเขาก็พูดอยากสอนน่ะมันอยากสอน่ะสอนไปเถอะคนไม่สอนนจะยุ่งนะ่ะพวกเราไม่ติเตือนกันไม่ติงกันเอาแต่เงียบเอาแต่หุบปากมันก็เบาหูดีเบาอะไรดีแต่มันก็เข้าพบมันทนผัดสะไม่ได้ไอการไม่มีผัดสะนั่นแหละมันจะจมมันจะเฉยมันจะเนื่อย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอัตราตัวหนึ่งนะไม่ได้จ้างนะบาทนึงก็ไม่ได้จ้างห้าล้านก็ไม่ได้จ้างสิบล้านก็ไม่ได้จ้างนะให้พูดอยู่นั่นในสอนน่นี่แหละคนก็ไม่แสดงไม่ใช่ว่าไม่แสดงความรังเกียจนะคนก็แสดงความรังเกียจเขาก็ยังทนได้นะคนแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เขาก็ยังทนได้แต่ทำไมเราทนต่อคาสอนไม่ได้ทนต่อทำกํานิไม่ได้ผู้ทนต่อคาสอนไม่ได้คือพวกที่ไม่เจริญ นะผู้ที่ทนต่อคำสอนได้ก็เคยได้ยินมาแล้วเรียกว่าอะไรวัคคัมะอะไรวัจนะคโมพวกทนต่อคำสอนวัจนะคัมโมผู้ทนต่อคำสอนผู้ที่มีไม่มีวันจนะคัมโมเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อคำสอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกรอดไม่รอดเออถ้าเขาพูดบ่าวาบาวา่บ า, าบก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาติเขาเตียนก็ดีแล้วเขาติเขาเตียนเอามาแก้ไขเขาจะช่างติผิดผิ ด, ผดก็เรื่องของเขา เขาจะช่างติผิดผิดผิดผุด ผ, ด, ผ, ด, ผ, ด, ผดแล้วก็ฟังเออนี่ติผิดนะแล้วก็ฟังไปให้มันทนได้ใช่ไติทนได้ต่อคำติเตียนเป็นคำปิยวัชระดื่มได้ต่อคำติเตียนทําไมอัตมาไม่เข้าข้างบอกว่าคนทุกคนเขาตเองเอาแบบประชาธิปไตยคนทุกคนเขาเกลียดหมดแล้วนะี่เขาไม่รับเลยนะน่นนี่หมูไม่รับเลย ถ้ า, าไมา่เข้าข้างอยู่ได้อาตมาเข้าข้างอย่างไรบางคนเดินหาว่าอาตมาลำเอียงหาว่าอาตมานี่ยชักจะชักจะไม่ค่อยเข้าทา่าละชักจะเออ ย, ยังไงแล้ะอาตมามีวิธีการสอนอาตมามีวิธีการที่จะทําอะไรกับพวกเรานี้ซับซ้อนให้มันลึกซึ้งแล้วให้มันจเจริญ น, นะถ้าคนนี้ไม่ดีบอกมาเลยมีไม่ดีอะไรบางถ้าไม่ดีแขกเขาช่างติเตละเกินให้เ้าติไปเตัวเขาไม่เมื่อยปากเมื่อยคอติเข้าไป แล้วก็เขาก็าทนได้ต่อปฏิกิริยาตอบโต้ก็ให้เขาอยู่เขาอยู่ก็มูได้ไม่ใช่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้วคนติเขาว่าเขาอะไรเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มดีแตดีไม่ดีจะโดนเวียงเอาด้วยนะถ้าเพราะว่าอยู่กับหมูที่แรงๆใช่ไหมอันนี้พูดมาแล้วซัดเปี่ยนเธอมันก็โดนเขาได้ง่ายได้จริงๆนะถ้าเพราะว่าอยู่กับหมูไม่งามอยู่ในหมู่ที่ไม่อดไม่ทนมันทนไม่ไหวมันระเบิดมันก็ซัดเอาจริงๆนะ ด่าตอบก็ให้ก็ได้บางถ้าเผื่อว่าสมมติว่าไม่ไม่รุนแรงนี่ก็น่าจะโต้ต่อในกายกิริยานะก็ทนไม่ได้ก็ด้ด่าตอบไปมั่งทนทนไม่ได้เหรอว่าแต่ด่าสัตว์บอกอะไรก็สัตว์เป็นภาษาหยาอะไรมาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแั่นี้ก็พอเป็นไปในมูลเราอดทนกันได้อะไรอะไรก็อา้แตมากก็ว่าพออยู่นะคนมีการติเตียนกันนี่พระพุทธเจ้าก็สอนแล้ว่พุทธิทนได้ต่อคําขนาบนะเราจะขนาบแล้วขนาบอีก อ้ น, นผู้ทนได้ผู้นั้นจะเจริญ น, นะู้ทนไม่ได้ผู้นั้นไม่เจริญ น, นะก็เอามายกสูตรนั้นม า, าให้พวกเราฟังอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ผู้ที่มองในที่อาตมาพูดไปแล้วเหมือนเข้าข้างวันนั้นอาตมาก็จำได้เพราะอาตมาก็มีสติอยู่ที่พูดสอนแล้วก็พวกเราฟังฟังเป็นเหมือนกันนะนะรู้ว่าเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรก็เข้าใจอยู่นะ เต่แล้วก็มองอาตมาอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ลำเอียงอะไรอาตมาว่าอาตมาในมีปัญญาพอสมควรนะทำไมอาตมาถึงมองอย่างงั้นอะไรอย่างงั้นน่าจะอ่านใจอาตมาบอกเอ๊ะทำไมอาตมามองอย่างนั้นทำไมไปเข้าคางแตนที่จะเข้าคางอย่างเราเนเราเอ๊ะใหเราทนให้เราทุกข์ใหเราทรมานอาตมาให้ทรมานจริงๆทำไมนะอาตมาถึงเอามายังนี้นี่เป็นแบบฝึกหัดภายใน ไม่จัดจ้านจนไปจัดจ้านเกิไนไปอาตมายังไม่เอามาหลอกร ะ, ะบำโปงระบำโป้ก็นไปแล้เอามาเต้นใน ท, ท, ที่นี้หรอกไม่เอาจัดจ้านมาหลอกเอาขนาดไปตามลําดับแล้วก็เป็นไปปกพวกเราเนี่ยให้พวกเราผู้ปฏิบัติเองผู้ออกตัวออกตนผู้ร้องเพลงเองก็จานึกสังวร <S <S ตัวเองผู้ได้รับการฟังร้องเพลงกับพวกเรานี่แหล้ร้องก็ต้องสังวรระวังของเรามันเป็นในตัวของมันเองเป็นธรรมชาติของมันแล้วเราก็ทํำกันไปอาตมาก็พยายามที่จะ เป็นนักปรุงที่วิเศษเป็นช่างสร้างเป็นนักสร้างที่จะต้องให้มีอะไรครบครันสมบูรณ์มีวงจรสมบูรณ์มีอะไรอต่รต้องดำเนินไปอย่างได้สดสัดได้ส่วน ไ, ได้ระบบมันก็เป็นแบบฝึกหัดในตัวไปทั้งหมดมากบางน้อยบางก็ตมา ก, ก็ดูอยู่ประมาณอยู่ว่าอะไรมากแค่ไหนอะไรน้อยแค่ไหน้ก็พยายามก็ทำอยู่บางคนก็แม่ดูพวกเราเนี่ยนะ ตเตียนกันไปสนใจกันเต่นๆดำๆรอ ง, ง, งๆแสงๆสีๆมากไป อ, อยจะไปทำไปยังง้อนึง น, นี้อะไรเถอะมันมีความเดียดฉันอาการเดียดฉันในใจเนี่ยมันก็เป็นอัตตาเป็นส่วนของตัวเราเนี่ยแหละยังวางไม่ได้เขาคือเขาและต้องดูใช่ไว่าเขาทําน่ยมันมีนมนนฐานะที่พเหมาะสมไหมเขาทําหลงติดหรือว่าเขาไม่หลงติดจะหลงแสงหลงสีหลงสวยหลงงาม เขาหลงหรือเขาไม่หลงต้องอ่านต้องพยายามเขาอาจจะทํำในความฝึกปลือของเขาก็ได้嘛เขาลองสัมผัสดูสิไอ้ตัวเองไม่ว่าแต่สัมผัสเลยเขาใกลกับช้างจะไม่ดีแล้วอัตราเราโตกว่าเขาด้วยซ้ำเขาทนได้นะเขารู้จักประมาณเขารู้จักปรุงเขารู้จักสังขารเป็นปุญญาวิสังขารไอ้ปุญญาพิสังขารหรือเป็นวิสังขาร็นสังขารที่เขาจะต้องภาคเพียน บางทีก็อาจจะทนด้วยซ้ําไปเขาเหนื่อยเขาเหน็ดเหนื่อยเขาไม่ได้ยินดีด้วยแล้วนะแต่เขาก็จําเป็นจะต้องฝึกรือเขาจะต้องจําเป็นจะต้องรังสรรจะต้องสังขารจะต้องทําเพื่อหลายๆอย่างหรือก็ทําอยู่ในภาวะที่กําลังปฏิบัติมันยินดีอยู่บ้างแล้วเขาก็ต้องล้างภาวะยินดีนั่นเองของเขาเขาทำตัวเราไม่ทําแต่เรามีผลักผลักกันมากด้วยนะผลักตัวเองนั่นแหละรังเกียจตัวเองนั่นแหละทุกมากกว่าอัตตาโตกว่าเขาเองก็ ก็ผักเหมือนกันแต่เขาเองก็หัดวางผักเขาพยายามที่จะเข้าไปใกล้เขาไปสัมผัสเป็นวิธีของเขาเราเองสิแก้สัมผัสก็ยังไม่ได้ยังประมาณไม่เป็นยังมองไม่เป็นยังตูขี้ตูขี้ว่าเขาอีกเขาทาอย่างนั้นเพราะความลหลงไหลติดยึดหรือว่าเขาทำเพื่อส่วนกลางส่วนที่มันเหมาะสมเอาไปให้แก่สุด น, นั้นส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อโยอมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกาลเวลา ตามครั้งตามคาวที่ควรไม่ใช่ว่ามาทำก็นจำเจไม่ใช่ว่ามาทำกันเพราะว่าเราติดเราเสพแล้วก็เลยต้องทำต้องอะไรอะไรอยู่ในยะพวกนี้มีลึกซึ้งละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันไม่ใช่ว่าประมาณกันเอียดย้มกันไม่เข้าใจกันมันมีหลายๆอย่างหลายๆจริตหลายหลายแบบหลายๆรูปนี่ดีเราจะได้เห็นครบถ้วน ถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยเราไม่เข้าใจนะเราลืมแล้วเราก็อยู่กับสังคมเขาไม่ได้มูงามแล้วก็ไม่ได้หมู่ใหญ่ไม่ได้หมูงามไม่ได้มู่ใหญ่นะผักกันดังเกียรกันไม่สมานกันมันก็ไม่งามแล้วถ้ามันประสานกันดีรู้จักรับลูกกันเป็นเห็นฐานะแต่ละฐานะเออสมานกันได้อันนี้ก็ต่อเนื่องกันได้อันนี้ก็ช่วยกันได้เป็นขั้นเป็นตอนถ้าคนต่ํา ไม่มีผู้มีอินทรีย์พระเข้าไปช่วยคนต่ําคนสูงสุดต้องไปช่วยคนต่ําก่อนดูแลมันเหมือนขัดขัดดูแลมันเหมือนขับขัดถ้าคุณเข้าใจเนะี่ยหนุจะบอกว่าอาตมาเป็นคนสูงโ อ, อ้อาตมาไม่แปดเปื้อนไปแล้วด้วยสิ่งที่มันเป็นโรคโลกโลกีนะอาตมาโดดลงมาร้องเพล ง, งนี้เป็นต้นทําท่าทีท่าทางอย่างคนดีอาตมาไม่รํำนะอาตมาไม่โมเดิร์นแดนซ์ด้วยกระบุญแล้วอ่ะอาตมาเต้นโมเดิร์นแดนซ์เลยแล้วก็คนเอ้ย อาตมาต้องมาช่วยเขาต้องมาทําต้องมาพยายามพัฒนาเขาอาตมาไม่แย่เท่ากับอรหันต์จี้กองกระ บ, บุนแล้วอ่าอตมาไม่ต้องไปลดลงถึงขนาดขนาดอรหันต์จี้กองกระบุนแล้ ว, บบลวผู้สูงสุดต้องมาทําที่ต่ําุดพราะคนอื่นินทร์ศีละไม่พอร์มาทําไม่ได้เขามาทําไม่ได้เข้ามาประมาณเขากําลงมาลดลงมาไม่ได้เขาเองเขามาเขาก็ทุกเขาทนไม่ได้ขนาดนี้ถ้าลดลงมาขนาดนี้เขาถูกดึงเลยถูกฉุดลงไปนเขาก็ไม่ทา ไมอยากทำหรือเขาก็รังเกียจอยู่เขาก็ทําไม่ได้แต่ผู้ที่วางได้ผู้ที่สัมผัสได้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ขนาะนี้เราจะมีกันไหมล่ะขณะนี้เราจะมีผู้สูงสุดจะลงมาคลุกกับพู้ต่ําสุดได้จะมาเอื้อมก่อนถ้ามันไม่มีคนช่วยไม่มีคนที่จะรับช่วงไปก็ต้องมาทําเช่นงานหลายอย่างหลายอันที่เราเริ่มมาต้องลงไปคลุกเป็นลุยด้วยหลายหลยอย่างต้องไปทําเพราะว่า มันไม่มีคนยังตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้ยังไม่มีคนรับช่วงขนาดนั้นพอเวลาเราพยายามไปทําารวาะเองก็ยังมีวินิจฉัยพละมากมันก็ไม่อยากทำเท่าไหร่ทำแล้วมันก็ยังอยากมาสบายอัตตามันยังซ่อนนะมันยังเออทำหนักทนไปก่อนวะเพราะเดีขึ้นฐานสูงพรเป็นฐานสูงนะเราไม่ต้องลงมามันจะเลี่ยงอย่างนี้อยู่ในใจนะไม่ใช่ว่าอัตมาไม่รู้นะนหลายคนอยากบวชจะรีบได้ฐานนะยังมาเป็นสิกมามาจะได้มาไม่ต้องมาแบกขามงานหลายๆอย่าง อยาจะได้มาเป็นสมณะอยากจะได้มาเป็นฐานจริงๆไม่ต้องไปลงเวลานําโนนเอาวินัยมาอ้างเอาอะไรมาอ้างแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําเพราะเราอยู่ในฐานสูงแล้วอัตตาพวกนี้มันสุกส่อนมันสุกส่อนถ้าเราไม่เรียนรู้จริงมันมันจะตีกินไปเลยก็เราเนี่ยอยู่ในฐานสูงแล้ววินัยก็หาแล้วไม่ต้องไปแตะต้องอยู่กันห่างนี่เลยผู้อื่นก็ทําก็ปล่อยก็าทำเถอะเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จริงๆไม่ได้ฝึกจริงๆไม่ได้เป็นจริงๆเลยนะ มันไม่รู้เรากว่าเรานี่เองเนี่ยมันจะมีความรังเกียจมันมีความขี้เกียจขนาดไหนไอความขี้เกียจก็คือขี้เกียจจริงๆริงไอความรังเกียจก็คือรังเกียจจริงๆแล้วมันไม่อยากไปแตะต้องเลยนะมันรังเกียจหรือมันไม่ทําเอาจริงๆมืนขี้เกียจแต่เราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้แล้วเลี่ยงเนี่ยมันก็คือจริงล่ะเลี่ยงมันก็คือเลี่ยงอ่ะมันยังไม่เต็มใจมันยังไม่เอาไม่สมัครใจอ่ะมันก็ติดอัตราอยู่นั่นแหละเพื่อนทํา ช่างเพื่อนชั่วเพื่อนต่าไม่รู้ใครต่าตัวเองเหมือนตัวสูงนะั่นแหละเป็นมานะถือดีรักดีสงวนดีเกินไปจนไม่รู้ว่าปลาละเอียดจริงๆแล้วมันเป็นกิเลสจริงๆเลยมันซอนอัตตา ม, มานะนะจริงมันมีนัยยะซับซ้อนมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งอยู่บางทีเนี่ยมันยากและมันแฝง เรไปทําแล้วมันก็แฟงติดอยู่ในนั้นอร่อยอยู่เราไปทํางี้ล้วก็อร่อยไปสัมผัสบางทีนี่อย่างผู้หญิงนี่นะอะไปทําครัวนีแล้วก็เพลินกับไอ้ครัวนี่ปรุงแล้วก็ได้ชิมได้แอบได้แฝงกินได้อร่อยอยู่กันเนี่ยมันก็เป็นได้อเป็นได้นะแต่อตาตมาว่าไอ้เรื่องทําครัวนี่นะอตาตมาไม่ได้ให้สิกรมาสไปทําครัวอะไระที่จริงสิกรมาสไปทําครัวก็ได้ถึงเวลาจําเป็นสําคัญก็ไปทําแล้วก็พิสูจน์สิ จริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรหรอกไม่ได้มีหลักไม่มีวินัยอะไรหรอกไปทําก็ได้แต่เสร็จแล้วหนักเนอะทํำครัวนี่หนักถ้ายังไปทําครัวเพื่อที่จะให้กินกันยังเป็นหมู่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยโอ้ไม่ทาหรอกใครจะไปทําล่ะมันหนักแล้วพวกเราก็ราวาวครับคารวะเองบางทีมันก็หนักก็เหนื่อยเพราะต้องหนขึหาคนทํารับงานหนักทํางานนาทํางานอะไรพวกนี้ปลูกข้าวให้เราคนกินกันไปทําครัวเป็นแบกหามไปทําขยะทําอะไรนี่หนัก ที่จริงนะขยะเนี่ยนะสมณะก็ทําได้ไม่ได้ผิดหรอไม่ได้เป็นอะไรเลยกว่าดขี้หมากว่าดอะไรได้ทั้งนั้นสมณะทําได้นะทําได้แต่ก็ไม่ทํานะเพราะว่ามันรังเกียจมันขี้เกียจพยายามบ่นบให้คารวะคารวาเขา ก, ก็รับไม่ไหวนะเพรมันก็ยัมีอัตราเหมือนกันเลยคารวะจะมีมากกว่าสมณะด้วยซ้ําอะนะ มันก็ไม่รับมันก็เลยไม่ได้สมบูรณ์อยู่นั่นแหละงานหนักงานเบาอะไรมันก็ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าก็ถึงตรัสเอาไว้า ง, งานหนักงานเบาทั้งงานใหญ่งานน้อยของสัพพโมจารีเราก็จะต้องเอาภาระเราก็จะต้องดูแลล้วก็จะเกื้อกูลเพราะฉะนั้นวิริยะทำไมเป็นอินทรีย์เราจะเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็เพราะไอ้ตัวห้าตัวนี่แหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฟังว่าสติเออเชื่อเข้าใจเชื่อ ถ้าไม่มีสติดีแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เชื่อไม่มีสมาธิดีเป็นอรหันต์ไม่ได้เชื่อไม่มีปัญญาดีไม่มีไปเป็นอรหันต์นะเชื่อสี่ตัวนี้เชื่อหมดศรัทธาแต่ไม่มีศรัทธาถึงที่ไม่เป็นอรหันต์เชื่อไม่มีสติสมบูรณ์ไม่ได้เป็นอรหันต์เชื่อสมาธิไม่สมบูรณ์ไม่เป็นอรหันต์เชื่อปัญญาไม่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นอรหันต์เชื่อแต่วิริยะไม่มีนี่มันจะเป็นอรหันต์ไม่ได้วิริยะไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่เชื่อเพราะว่ากูขี้เกียจ มันชักเอียงๆเลยนะมันชักไปรปแล้ว่ะเพราะยิ่งตัววิริยะนี่แหละเป็นตัวแสดงความเด่นเลยไอ้ศรัทธาก็ไม่เท่าไรลักแสดงออกก็ยากนะศรัทธาเพราะมันเป็นรูปในเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอะไรลักสติก็เป็นรูปในสมาธิก็เป็นรูปในปัญญาก็เป็นรูปในปัญญาพอจะแสดงออกได้มากหน่อยเพราะปัญญามันเป็นบทบาทของความเฉลียวฉลาด ปูจาแสดงท่าทีแสดงความเข้าใจออกมามีลีลามากหน่อยเพราะพระอาหารหันต์มีปัญญามากเข้าใจเพราะมันมีลีลาตัวแสดงมากมากกว่ามันมีรูปที่แสดงออกมากกว่าสติมากกว่าสมาธิมากกว่าศรัทธาแต่ตัวที่แสดงออกชัดที่สุดคือวิริยะวิริยะแสดงออกได้ชัดกว่าทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสมณะอะไรเป็นเครื่องแสดงว่ายังมีอายุอยู่ความเพียร สมณะมีอะไรเป็นตัวแสดงไม่ใช่ตัวสติไม่ใช่ตัวสมาธิไม่ใช่ตัวปัญญาไม่ใช่ตัวศรัทธาที่จะเป็นสมณะไม่ใช่ตัววิริยะตัวความเพียรตัวอิทธิบาทเป็นตัวแสดงท่านเอาตัวที่มันง่ายตัวที่มีบทบาทลีลาเห็นได้ง่ายและตัวจะมีได้ชัดได้มากเป็นตัวแสดงถ้าไม่ได้บอกว่ามีสติคุณจะไปสังเกตพระอรหันต์ว่าโ้ท่านมีสติดีไปสังเกตพระอรหันต์เพราะท่านมีสมาธิดี จ้างคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องแสดงสติสิสติพละของพระอรหันต์เป็นเครื่องแสดงหรือสมาธิพละเป็นเครื่องแสดงของพระอรหันต์จ้างคุณก็อ่านพระอรหันต์ไม่ออกไงไงง่เพราะมันยากเนี่ยเท่าปัญญาบอกแล้วว่าปัญญายังมีวลีลาบทบาทแสดงออกเช่นมากกว่าสามอย่างนั้นศรัทธาก็ดีศรัทธาก็ยังพอออกได้มากนะแต่ว่าศรัทธานี่ลึกซ้อนลึกซึ้งอาตมาพยายามขยายศรัทธาอยู่นี่มากมาย แล้วมันจะเกิดจริงเป็นจริงตามจริงของศรัทธาของความเชื days, illing, <t> ่อมันเชื่อจริงมันจะเชื่อไปมาแล้วเชื่อที่มีอุปทานนี่มีเยอะคนเรานี่อยู่ในอุปทานด้วยความเชื่อที่เป็นอุปทานมาตลอดเวลาปุตุชนเชื่อเชื่อด้วยอุปทานมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ไม่ใช่อุปทานนั้นเป็นความเชื่อที่ต้องมีปัญญาเข้าไปร่วมทุกตัวไปความเชื่อที่มีปัญญาึกซึ่งมีญาณทัศนวิเศษเห็นจริงเลยว่าโลกุตระเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ได้โลกุตระนั้นนั้นจึงเชื่อ ถ้ายังไม่ได้จนกระทั่งเกิดปัญญาเข้าใจอย่างแทงทะลุถอนอสวะมันไม่ใช่ตัวเชื่อสมบูรณ์ตัวเชื่อสมบูรณ์ตัวที่เป็นศรัทธาพระนั้นมันจะต้องมียานทัศนวิเศษเข้าไปประกอบร่วมมีวิมุตติยานทัศน์เข้าไปประกอบร่วมเป็นอุปโตภาคเขาวิมุตเป็นตัวที่มันมีตัวปัญญาที่รู้วิมุตแลเราก็แข็งแรงวิมุติอันไม่กลับกําเริบแล้วจริงเป็นเจโตวิมุติเป็นอกุปาเจโตวิมุติ เป็นวิมุติที่ไม่กําเริบไม่วนเวียนอีกแน่นอนตัวนั้นแหละเป็นตัวที่จะเชื่ออย่างสมบูรณ์สุดถ้ามันยังไม่ถึงขัน้นมีปัญญาที่เป็นญานทัศนวิเศษถึงปานนั้นจะไม่เชื่อสมบูรณ์สุดแล้วมันเชื่อก็คือตัวเราเชื่อเราไม่ได้เชื่อ อ, อื่นๆเราเชื่อสิ่งที่วิเศษสิ่งที่เป็นผลละธรรมเป็นอรหัตผลอรหัตลผลเพราะคำพูดดังใหญ่ใด ย, ยังไม่มีตัวจิตที่แจ้งในอรหัตผล ถอนอาสวะจริงของตนเองนะตัวนั้นยังไม่ไม่ถือว่าเชื่อที่สมบูรณ์สุดยังไปเป็นความเชื่อที่ยังไม่ถึงขั้นมีอุปโตภาคดังที่บอกแล้วความเชื่อมีองค์สิบนะี่ยจนกระทั่งไปถึงสุดท้ายมีเจโต ว, วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันแจ้งต่ออาสวะอนุสัยสิ้นแล้วเป็นปัจจุบันเข้าถึงอยู่นั่นนะ่ะถ้าไม่ถึงตัวนั้นแล้วยังไม่ตัวไ ม, ไม่เป็นตัวสรัทธาพระที่สุดท้ายหรอก เอาละเอาตัวเชื่อจะต้องขยายอีกนานพูดถึงตัวสําคัญนี่ก่อนตัววิริยะเนี่ยวิริยินทร์สีนี่ฮะความเพียรทางจิตความเพียรทางจิตนั่นแหละมันพร้อมไปด้วยการงานพร้อมไปด้วยสังกปะว า, จารจกรรมันตะอาชีวะขาดมรคคังคะไม่ได้คุณเอาแต่ความเพียรทางจิตคุณก็เอาตามที่คุณเข้าใจเอาตามที่คุณฉลาดว่า ควาเพียงก็คืออ่านได้จิต ด, ดูแต่จิตไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปมีอาชีพสังคมกลุ่มหมู่ที่มีอาชีพเมื่อกี้กอธิบายไปแล้วว่าแม้อาชีพของคารวะของปุถุชนบางคนถ้าไม่มีใครแล้วพระอระหันจะโดดลงไปทำเหมือนจีก้กงเหมือนพระอระหันนี่เหมือ น, นกับคนโลกเลย นี่เราก็ไม่ได้พาทําถึงขนาดนั้นนะสมาอาชีพทุกวันนี้ก็เกือ้อกูลกันให้หมู่พอเป็นไปแล้วเราก็จะได้ผัดสักด้วยวเราก็จะได้เรียนของเราด้วยเราก็จะได้ออกจากภพสักทีด้วยพอว่า ง, งานเราก็ไม่ออกคุณก็เข้าใจอย่า ง, งคุณนี่ไม่ได้บังคับความเชื่อนะเข้าใจอย่างนั้นปฏิบัติทําไม่ต้องไปคลุกอย่างนั้นหรอกนี่ในพระเตยปิดอกอ่านไว้พระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยพาไปขายของไม่เคยพาไปขุดดินฟันญญ้าเลยไม่เคยพาไปทำในอ่านในพระเตยปิดอกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยพาทําสมัยโน้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริง เพราะสมัยโน้อนอินทรีย์พะละเขาสูงแล้วเขามีบุญแล้วพวกคุณเนี่ยเป็นพวกผีมาเพราะฉะนั้นเชื้อผียังไม่ได้ล้างคนที่กวดในรูพ่พระเจ้าเนี่ยล้างเชื้อผีมาแล้วไม่ต้องไปลงอาชีพต่ําเมืองหาขนาดนั้นหรอกไม่ต้องไปพิสูน์สัมผัสขนาดนั้นหรอกไม่ต้องหรอกเพราะฉะนั้นไม่หยาบสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยโน้นแล้วพวกเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปเอาแหมเหมือนกับอย่างพระพาหิยะเลยฟังสี่ประโยช์แล้วก็ บ, บรรลุไม่ต้องไป สัพพัอะไรไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมาไม่ต้องปฏิบัตปฏิบัติอบรมอะไร collide? รักไม่ได้หรอกพวกเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปเอาแม้เหมือนกับอย่างพระพาหิยะเลยฟังสี่ประโยชนแล้วก็บรรลุไม่ต้องไปสัพพัดอะไรไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมาไม่ต้องปฏิบัติปฏิบัติอบรมอะไรรักไม่ได้หรอกอยู่ในนี้พวกเราอยู่ในสายหูสายตากันช่วยกันทัน ถ้าไม่มีมิตรดีสหายดีแล้วเร า, าไปเผลอทำข้างนอกระวังเธออย่างนั้นไม่มีใครช่วยแน่อยู่ที่นี่มีมีคนพอรูปพอเห็นอะไรนิดได้หน่อยพวทั่ฟองกันเก่งจะตายไปพวกเรานี่แอบเซฟก็ยังเห็นเลยอ่าสมณะที่หลุดร่วงไปบ้างเนะี่เป็นวิบากของสมณะแต่ละรูปแต่ละองค์อาตมาเองถ้าจะเสียดายอาตมาควรจะเสียดายยิ่งกว่าคุณ ถ้าจะเสียดายอตาตมาหน้าจะเสียดายยิ่งกว่าคุณแต่อตาตมาย่อมรู้ว่าถึงวิธีของเขาจะต้องไปเขาก็ต้องไปบางคนมาเนี่ยไม่ใช่คนอินทรพละกล้าหรอกเป็นคนตะกละตะกลามอย่างมาเป็นสมณะแล้วไม่จริงเพราะฉะนั้นพุพทธิลงไปก็ต้องร่วงไปบางคนจะเห็นแล้วว่าโอ้โหยังเกิดวิเศษเลยนะทําให้เราหลงเลยนะอตาตมายังหลงเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงศึกออกไปแล้วยําเปยังมีเลย เพราะฉะนั้นใหม่ๆแรกๆเนี่ยบางทีเนี่โอ้โหยังวิเศษแต่มันจะเป็นตัวอย่างนันแหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้แก่เราดูเป็นหลักคนเก่าๆรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหย้ำเปนืกว่าสูงนะไม่ได้สูงแล้วหลอกอาตมา ย, ยังถูกหลอกสนิทตะก่อนเลย น, ะ, นะเสร็จแล้วกับได้แค่นั้นที่จริงเขาก็มีบ้างแต่แต่น้อยไม่ได้อินทร์ศีลพร ะ, ละสูงอะไรจังใจจังงั้นศรัทธาทัวลึกยังมีอยู่แต่ว่าอินทรีย์พร ะ, ะแค่นั้น ได้แค่นั้นไม่ใช่เขาไม่รู้ทุกวันนี้เขาก็รู้แต่เขาก็ทําเขาอดไม่ได้เขาทนไม่ได้เขาต้องทําถึงเข้าหน้าไม่ติดมาใกล้ไม่ได้ยังไปอีกหลายนานชาติเรื่องของเขาอินทรีย์พราของเขาต้องมาเพนต์ต่อไปอีกมากมายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะน้พูดตกก็พูดตกผู้อยู่ก็ UE, ผู้อยู่ผู้ไม่อยู่ก็ผู้ไม่อยู่มันเป็นไปตามธรรมขนาดนั้นขนาดนั้นไะม่ใช่ว่าเราจะแกล้งไม่แกล้งเราไปไปตามธรรมชาติเพราะจะต้องมีบทพิสูจน์จะมีข้อพิสูจน์จริงๆริงข้อพิสูจน์จริงๆ แล้วก็เป็นไปตามทมตามสัจจะของมันไม่บินสูงไหมครับว่าไงไม่จริงไม่จริงเป็นของเขาเองใครไปทำเขาไม่ใช่ถึงไม่มีอันนั้นเขาก็ต้องตกเพราะเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราเขาไม่ได้ทำมาอย่างที่อาตมาพาทำนะ คนที่ตกไปที่บอกว่าโอโหเก่งๆเนี่ยนะออกไปเป็นมีเมียหลายคนนั่นนะออกไปเงี้ยนะ <_ C 1> <_ C 1> เขาไม่ได้ทำหรอกนะขี้เกียจนะอยู่ในพบไม่เดินลงมาลุยนะสังเกตสิแล้วลึกได้เลยแล้วลึกดูสิถ้าเขาลุยนะเ ข, ยนะเขาจะไม่ตกถ้าลุยงานไม่ลุยงานนะนั่งอยู่ในพบของตัวเองอยู่ในการคิดการอ่านได้แต่ฟุ้งภาษาไม่ลุยนะงานไม่ทํานะตกถ้าเขาไาทํางานเขาจะไม่ตกนะ <_ C 1> <_ C 1> ไม่ได้ผัดนะ ใครก็แล้วแต่ลุยงานอย่างนั้นก็ตามขณะนี้เนะ่ยนายอัตมา ก, ก็พูดไปก็จะจังอยู่กันกันนี้นะเพรียก็จะอายมากกว่านี้เอานะีมันเป็นอัจินตยอีกหลายอย่างอัตมาพาทำนี่ถ้าอัตมาถ้าเผื่อว่าเชื่ออัตมานะอัตมาพาไปได้ขนาดแล้วกําลังคัดเลือกกันอยู่ในตัวของมันอย่างพอเหมาะพอดีอย่าไปเอาตัวอย่างคนอื่นสิฟังอัตมาพูดตั้งหากไปเอาตัวอย่างคุณสังเกตเองคุณจ ะ, ณจะลา ก, กว่าอัตมาเลยบอกแล้วว่าถ้าเขาศึกไปเนะี่ย ถ้าจะเสียดายอาตมาคนจะเสียดายมากกว่าคุณไม่ใช่คุณจะเสียหน้าจะเสียดายมากกว่าอาตมาม ใ, ใ, ใจอ้า อ, าอากจะเป็น่วคุณอ้าวคุณรู้ใช่ไหมว่าน่ะเห็นไหมเนี่ยผิดพลาดอาตมาแนะนําท่านอย่างนั้ น, น, น, น, นผิดพลา ด, าำำา ด, ลาดจึงเป็นอย่างนั้นไปแสดงว่าคุณฉลาดอาตมาอาตมาทําผิดทางโน้นตกลนไปเนะอยนนอ่าไม่ใช่อย่างไงเ <laughs> <ๆ>ล่าก็คุณเชื่อตัวคุณว่าเนี่ยอาตมาทํำให้แต่ละเหตุผลนั้นต้องไปทําตามที่อาตมาสอนนั่นแหละเลยตกล่วงไปเลย ใช่แต่คุณยังเข้าใจไม่ได้เท่านั้นนะ่ะคุณเชื่อว่าคุณเองคุณถูกอัตมาเชื่อว่าอัตมาถูกถ้าอัตมา ถ, ถูกคุณต้องผิดคุณผิดคุณก็เห็นว่าอย่างนั้นน่ะมันผิดแล้วไม่เอาอย่างอะเอาอย่างอัตมาสอนเถอะแล้วคุณจะถูกเอาอย่างอัตมาสอนแล้วอย่าไปคำนึงเขาว่าทำไมเขาตกก็เพราะว่าเขามีอย่างนั้นจริงๆเขาประมาณขนาดนั้นพอดีแลวเขาก็ทาผิดที่อัตมาแนะนา ในตัวของมันเองซ้อนๆอยู่ไปเอารายละเอียดมาได้แต่ละคนแต่ตมายังไม่อยากจะเอาแต่ละคนมาเปิดฉีกหน้าฉีกหน้าฉีกหน้าแต่ตมาเอาที่เขาเป็นนั่นแหละเอามาสอนในพวกเราอยู่ใช่มันจะมีแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งวัวเป็นอย่างอย่างอย่างอย่างอย่างอย่างอ ย, งอยู่มันไม่สมบูรณ์อ่ามันจะมีอะไรอะไรของตัวเองคือคนเรานี่นะมันชอบอะไรมันก็เอาถนัดไปในทางนั้นแล้วกรบเกลือน <Elsa. S 2> บ ก, get, บ, เก awkward, บเกลือนกบเกลือนกบเกลือนหลายหลายอย่างนะมันจะกลบเกลือนตบเกลือนไปกบเกลือนมามันก็ไม่สมบูรณ์อาตมา ก, ก็เตือนเตือนทั้งนั้นอะ่นนอะเตือนทุกด้านแต่เสร็จแล้วก็ไม่แก้ไขเมื่อไม่แก้ไขสักวันหนึ่งมันก็ตกกลหล่นได้นะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันยังไม่รอบมันยังไม่ครบนี่นะมันก็เป็นไปอาตมาพาทำเนี่ยตัววิริยะเนี่ยแหละแม้แต่เมื่อกี้ที่ทันติคือเวโรทักเนี่ยวิริยะแก้ตัวนะความเพียนเนี่ยเพียนภายในเพี้ยนทมแต่ภายในนะ เพียงทำแต่ภายในนี่แหละการที่จะมีผัสสะนอกนี่หละคือการเพียรภายในการที่ทำแต่ภายในก็คือนั่งจะหลบจะเลี่ยงเอาจะพบเี่แหละนั่นแห ล, ละก็คือการสร้างอัตตาให้ภายในไม่ใช่เพียรภายในนะเป็นการเสพภายในฟังใหม่ฟังตรงนี้ไหมอะไรที่เรารู้สึกสบายอันนั้นก็คือยถาสุ ข, ขังอะไรที่เรารู้สึกฟืน้น อันนั้นเราขัดเกล้าเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรนี่สังเกตให้ดีเถอะมันจะเอาสบายมันจะเอาสายะถาสุขขังเสมออกุศลธรรมเจริญยิ่งนั่นคือสร้างอัตตานั่นคือสร้างอัตตาเสบสมอยู่นั่นะให้อาหารอร่อยมันละเอียดนะละเอียดมากเลยนะละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราชอบอะไรที่เราเห็นว่าอันนี้ดีมันต้องจริตมันต้องอารมณ์นั่นแหละยาถาสุขขัง เป็นการสั่งสมความสบายเป็นการสั่งสมความพอใจตามที่เราต้องการบำเรออัตตาบำเรอกิเลสเสมอเพราะเราจะต้องดูมองในแง่ที่สลัดคืนในแง่ที่จะถอนกลับในแง่ที่จะเป็นสันเลขะขัดเกล้าตนเองขัดเกล้าตนเองอันนี้เราไม่ชอบต้องพิจารณาให้ออกว่าเอ๊ะมันควรนะหรือไม่ควรนะเนี่ยเราอินทรีย์พระเราจะไหวไม่ไหวนะั้นเนี่ยต้องฝึกไวนะ้หน้าลองดูนะมันต้องฝืนทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมต้องฝืน ต้องสั้เล ข, ขะต้องขัดเกลาตนไม่ใช่เอาแต่พบที่ตนเองชอบแล้วก็มันจะเอียงไปข้างที่เราชอบอย่างนี้เอออย่างงี้แหละนะเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่มีความเพียรแล้วก็ไปอ้างมามองความเพียรทำภายในเพียรอะไรกันนักหนาเพียรวิธีการหยุดวิธีการนอนหลับวิธีการไม่คิดวิธีการไม่นึกวิธีการไม่รังสรร์ไม่ออกแรงไม่อะไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันเบากว่า เพียรอย่างนั้นมันเบากว่ามันไม่ได้ขัดเกลามันไม่ได้ฟื้นมันไม่ได้หนักมันไม่ได้ยากมันไม่ต้องใช้วิริยะแต่อ้างวิริยะนะโดยการไปมองตัวลึกเขาจะอยู่อย่างนี้ฉัยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะเจ้าก็เพียรแม่มันฟุ้งซ่านก็กดคมก็วิธีสมถะเท่านั้นมันไม่ใช่วิธีวิปัสสนาไม่ใช่วิธีที่เป็นปัจจุบันธรรมไม่ใช่เป็นวิธีของมรรคองแปดไม่ใช่ เป็นวิธีนะแล้วก็ชํานาในวิธีนั้นั้งจุดสกดจิตได้ก็สงบก็เออเราก็พอใจเราหยุดได้แล้วมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ดีจริงก็คุณก็พกผาเพียรทำสมถะเท่านั้นนะสมถะคุณก็ทําบ้างเจโตสมถะคุณก็ทำ ก, ก็ดีทําได้แล้วคุณจะต้องหัดวิปัสสนาให้มันเก่งด้วยเพราะของพระพุทธเจ้านั้นวิปัสสนาสมถะใ น, นของฤาษีนานมาแล้วพระพุทธเจา้านในวิปัสสนาถึงมาออกหลักมรรคองคแปดนะมีอิทธิบาทเป็นหลักมีวิริยะมีความเพียร มันวงจรของพระพุทเจ้านัน้นของสังคมมนุษย์ถึงจะช่วยมนุษย์ได้อย่างเจริญจริงๆช่วยมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะเราจะกวางขวางเราจะเกิดรับกับสมัยสมัยไหนก็รับจเจริญทุกสมัยของพระพุทธเจ้าจเจริญทุกสมัยเป็นด้วยคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไปชอบการงานเป็นกสินถ้าได้การงานเป็นกสินนะ ดีกว่านั่งหลับเป็นกสินนั่งหลับเป็นกสินน่ะชั่วกว่าการงานเป็นกสินยังสร้างสรรยังเป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปนะถ้านั่งสมถะเป็นกสินนี่นะเป็นบาปเป็นหนี้เพราะมันไม่ก่อการงานมันไม่ก่อบทมันไม่ก่อคุณค่าอะไรขึ้นมาเลยมันนั่งเอาเปรียบเอารัดมันนั่งเป็นหนี้สร้างนี้เพราะฉะนั้นการที่ไปเอาการงานเป็นกสินนั่นนะคนที่มีบุญกว่า มีบุญกว่าเอาการงานเป็นกสินมันยังสร้างสารรค์มันก็เป็นคุณค่ามันก็ยังได้เสสละสร้างสารรค์มันก็มีบทบาทอะไรออกไปมันคุ้มตัวอ่ามันเป็นบุญด้วยดีไม่ดีขยันมา ก, มากๆก็ทําได้มากๆก็ได้เป็นยังเป็นกรรมจริงๆเป็นวิบากเป็นกรรมวิบากที่เป็นกุศลนะจริงๆแล้วพวกเราก็สอนกันอยู่ในทิศทางสร้างก็ไม่ได้ให้เอานี่สร้างก็ให้เศษสละทั้งนั้นนี่แต่มันนั่งเฉยๆเอาแต่เอาแต่นั่งเปล่าเปล่าเป็นกสินเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นบาป และดำดิงกว่าเลยดำดิงมืดกว่าถ้าทำงานไปเกสินเนี่ยสว่างกว่าทำงานไปกก ษ, ษินนี่สว่างกว่าลักษณะที่สว่างลักษณะที่จ้าลักษณะที่มากเนี่ยมันพราดเท่านั้นเองแต่ลักษณะที่ดิกดับที่นิ่งๆๆมืดมืดมืดแล้วยิ่ ง, งโง่ยิ่งดักดานเลยยิ่งช้ายิ่งนานสว่างกว่านี่จะรู้ทุกได้เร็วกว่าพลาหรือจ้านี่จัดการได เก่งด้แต่การได้ดีกว่าจะเกิดปัญญาปัญญานําเนี่ยจะดีกว่าสมถานาสมถานานี่นานช้าแล้วกินลึกไปไปนานไปไกลไปช้าทําใดวินยัยใดไปในทางทิศช้าเนี่ยในทางทิศทิศช้าเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของพระพุทธเจ้าลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นในทางทิศที่เร็วทําใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่องช้าทานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปในทางทิศที่เร็วกว่า เพราะถ้าสองทิศเอามาเทียบกันจริงๆแล้วทิศดิ่งสูสมถะกับทิศดิ่งสูวิปัสนาวิปัสนาเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอย่างวิปัสนาเนี่เป็นของพระพุทธเจ้าสมถทะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่อัตมาไม่ได้ปฏิเสธ ว, ว่าสมถทะไม่ให้ทำทําบ้างแต่ถึงจะทําอย่างไรจริงๆแล้วนี่นะสุดท้ายจริงๆเลยนี่นะไม่มีสมถทะเลยเป็นเ จ, เ จ, เ จ, เจโตสมถะไม่มีเป็นคนปฏิบัติต่างอย่างของพระพุทธเจ้าทางเด่งทางเดียวนี่เลยนะ ได้แต่โลกุตระนี่แม้จะออกการงานแม้จะออกมักองแปดไปจนกระทั่งสมบูรณ์สุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์ชนิดมีแต่โลกุตระไม่มีเจโตสมาทานเลยก็ยังได้เล ย, เยนั่นแหละพอเราเลื่อดูสีมาเก่า ต, ตัวอัตตามันมีในตัว อ, อย่างที่พูดนี่ถูกพอเราออกไปทํางานพอเราออกไปนวดนี่ก็จะกระทบกรามกระทบโพธิ์ศากกระทบ พ, ททบพยาบาทกระทบอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมานั่นแหละเกิดมาแล้วเราจะได้รู้ตัวมันจะได้กระทุ้งออกมา แต่ทําไมหลายคนผู้ใหญ่ก็ตามไม่ให้ไปทําเพราะว่าตัวเองมันอยู่ในพกของตัวเองมันบอกเฮ้ยไปทําเราเองไปได้เราก็จะอาอย่างหนึ่งนะไปได้เราก็จะเกิดจะทนไม่ได้อย่างหนึ่งสองมันชอบเพราะว่ากิเลสพวกนี้มันชอบในฐานที่เราไม่พยายามที่จะไปเอาอย่างโลกีอย่างลาบยศสันเสริญโลกีสุขหรือปราการพวกนี้แล้วนี่นะมันก็ดีแล้วมันก็พอเข้าใจอันหนึ่งแล้วมันเกิดปัญญาแล้วเพราะเราจะไปแสดงออกถ้าเราแสดงออกแล้วมันรักหน้าการรักหน้าเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่าเราไม่ไปคุยเลยนะ่นเลยกลบมันไว่อยู่เรื่อยๆนี่นะมันก็ไม่แสดงออกมันก็ไม่ขายหน้านี่เป็นอัตราชนิดหนึ่งเพราะฉะ้าพเราไปแสดงออกตายเพลิดนิดนึงอายนะเพราะงั้นมันไม่อยากทําหรอกมันจะต้องอยาจะไปแตะต้องดีกว่าทาไมแตะต้องเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่เป็นโอกาสที่เราจะต้องขายหน้านะนี่เป็นลักษณะอัตราชนิดหนึง่งแล้วมันก็ไม่อาจหาแล้วมันก็จมหมักอยู่ยางั้นแหละแล้วตัวเองไม่มีโอกาสได้รู้นะบอกแล้วว่าอย่าว่าจะหมักไว้ได้ร้อยปีเลย หมักไว้ได้ล้านปีมันยังหมักได้เลยไอการกดข่มเนี่ยหมักไว้ล้านปีอาตมาก็พูดมาไม่รู้กี่ทีเพราะลองนะ่ะแล้วก็ระมัดระวังนะ่ะไม่ต้องกลัวขายหน้าคนที่กลัวขายหน้าคนนั้นแหละไม่มีทางจเจริญ ง, ง่ายใช่อยู่งั้นและก็ไม่อยากจะให้ใครมาว่าไม่อยากจะให้ใครมาติมันรักตัวเหลือเกินนะ่ะใครมาติบอกกติกันดีแล้วตัวกันดีแล้ว ก็ไม่เป็นไรนี่ใช่มันจะได้เพื่อตำแหน่ก็แก้ไขกันจะได้ลดอัตรานะฮะกลัวต้องเจ็บนั่นแหละนั่นแหละมันไม่แอบเกล้าก้ามันไม่กล้ากล้ามันไม่อดท า, านมันไม่อดทนมันไม่อดทนเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนี่ที่อาตมาพูดแล้วเราก็ได้พูดกันไปขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมว่าวิธีการนี่ซับซ้อนลึกซึ้งเขาเท่าไหร่เป็นวิธีการที่ซับซ้อนลึกซึ้งเป็นวิธีการที่ เกิดจริงเป็นจริงไม่ใช่มานั่งเดาเอาเป็นเรื่องจริงที่จะเป็นไปได้เลยเป็นของจริงที่จะปรากฏเลยแตนะพวกเรานี่มาตกฐานนี้แหละมาตกในฐานที่มันคุยอัตตาไม่ขึ้นพวกเราผ่านมาแล้วในฐานของโสดาส ก, กิทาก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นฐานอนาคานิอัตมานิเหนื่อยเหนื่อ ย, อยจริงๆเพราะฐานอนาคานิต้องล้างอัตามานะล้างกรรมให้ละเอียดตอนนี้กรรมละเอียดพวกเราหมักกัน ปฏิฆาละเอียดก็หมักกันหมักไม่พยายามที่จะให้มันถูกกระทบไม่พยายามที่จ ะ, ะเลี่ยงตลอดเวลาแล้วก็เฉยนี่แหละคือมันจะตกตรงนี้เพราะจะต้องถูกกระแทกกระเทือนโสดาบันพวกเราเยอะบอกให้ชัดๆัดส ก, กิทาก็มีไม่ใช่น้อยแต่เสร็จแล้วขึ้นฐานอนาคาไม่ได้เพราะติดภาวะตันหานี่ยิ่งก็าหางช้างติดป่วยกายิ่งไม่ใช่แค่หางช้างนะหัวช้าง มันยังไม่เล็กหรอกมันยังโตอยู่เลยแต่ตัวเองหมกหมกหมกไว้ในกานี่แหละหัวช้างไม่รู้ว่าหัวช้างเขาไปหมกไว้ในกาได้ยังไงไม่นจะหางช้างติดปวยกาเนะ่ยยิ่งกว่าหางช้างแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีอัตราตัวนั้นเนะ่ยโตกว่าหางช้างแล้วก็หมกักอยู่นี่นนี่มาไว้เนี่ยตัวนี้ะที่อาตมาพยายามเข็นพวกเรามานานแล้วนะไม่ใช่เป็นนานเข็น แล้วก็ไม่ไม่ไปเชื่อมองไปยิบไปอ่านพระเตรปิดกนี่พระไตรปิฎ ก, กนี่แปลมาโดยผู้ที่อยู่ในฐานะของเทรวาสอยู่ในหินาญานอยู่ในฤาษีเป็นส่วนใหญ่เพราะนักกล่าวจำนวนวัวหารลีลาของเขานี่แปลเป็นภาษาไทยนีมันเอียงไปข้างสมถะหมดเอียงไปข้างฤาษีซะเยอะแต่ตัมมาก็ก็รู้น่ะก็ก็กกกกไม่อยากจะพูดกันมากเพราะว่าเราเองเราก็แหมแปลพระบาลีไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่ว่าก็ต้องต้องค่อยๆไป ก็ปติเตียนมากก็ไม่ดีแต่ทั้มาก็หยิบมาพูดตัวใหนชัดก็เอามาขยายความให้ฟังก่อนนะเลาก็ อ, อธิบายกันไปกบ็นั่นแหละการปฏิบัติธรรมอย่างโยมใจพร้อมว่มานี่มันกระทบสัมผัสแล้วเอามาล้างทางไหนนั่นคือทํางานในกระทบสัมผัสข้างนอกนี่เอามาล้างงานในอสังกัปวาจากรรมันตะอาชีวานี่ถ้าไม่ได้ละเว้นว่าแม้แต่จะเป็นสมณะก็ไม่มีอาชีพไม่ใช่ อาชีพการงานที่มนุษย์จะต้องเกือกูลกันสงเคราะห์กันให้เป็นหมู่ที่งามจะต้องสัมพันธ์กันหมดถ้าพอพระครว่าก็รับช่วงได้ดีมีมวลพอสมณะก็ไม่ต้องทําและสมณะที่ไม่ต้องทํานั้นไม่ใช่สมณะแอบแฝงด้วยทําได้จริงๆนะลงไปทําแล้วต้องพิสูจน์ว่าเราทําได้น่ะไม่ใช่แอบแฝงแอบแฝงมันก็คือพอเวลามีครว่ารับไปหมดแล้วงานต่างานยากงานลําบากงานที่น่ารังเกียจงานที่แหม พอใจกับความขี้เกยียจเราเหลือเกินสมณาทีกินสามนา ท, น, า ท, น, าท น, นั้นผู้ใดไม่รู้เท่าไม่รู้ทันนะไม่ละเอียดเราต้องรอไปอีกถึงวิบากปางข้างหน้าถ้ารอปางข้างหน้ายังไม่ได้ต้องรอไปจนกระทั่งถึงปางที่หยาบปางที่หยาบคือยุคสมัยที่หยากคุณจะต้องกลงไปมีปัจจัยอันนี้จริงๆคุณจะต้องลงไปพิสูจน์ตัวนี้กระแทกมาจริงจึงจะหมดเชือ้อแล้วก็อยู่ในแวดวงของมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี จะต้องอยู่ในหมู่ที่มีสัดส่วนที่พอเหมาะในกลุ่มหมู่ที่งามหมู่ของเราในหมู่ที่งามไม่ใช่ไม่งามอาตมาไม่บังคับแต่ตมาก็มีตัวเร่งมีตัวที่จะต้องค่อยๆกระตุ้นค่อยๆมีบทบาทค่อยๆมีลีลาอะไรๆให้ทาเพราะฉะนั้นจะต้องสํานึกเองและก็ทำเองตัวเองก็จะเหมาะสมของตัวเองแล้วก็จะรู้เองว่าตัวจะกล้าหรือไม่กล้าขนาดไหนคนทำหางก็จะเป็นอย่างทหาม เมื่อคนทำหามางทีเนี่ยถูกลงไปหมาเอาละว่าเราอเอาละว่าเลยโดดพุ่งพังพุ่งพังลงไปเลยนะเสร็จแล้วตัวเองโอ้โหแรงทนไม่ไหวต้องกระเด็นศึกไปก่อนศึกก็ศึกแต่ถึงวันนึงก็ต้องกลับคืนมาถ้าคุณมีเชื้อถ้าคุณมีสิ่งที่จริงแล้วเป็นสัตทินรียแล้วจริงไม่มีถอนหรอกแต่ก็ยังดีนะอาจจะมาชาตินี้อาจจะมาชาติหน้าถ้าผู้นั้นไม่เจออย่างนั้นจริงๆแล้วนี่ ไปอีกสิบชาติห้าร้อยชาติไปอีกพันชาติอย่าคึกว่าวัฏฏสงสารนี่ยาวนะแต่ละชาตินี่สั้นนะักร้อยชาติก็ยังไม่ได้มากภพนี้น้ำไม่ถ้วนการเกิดในชาติแต่ละชาตินี้น้ำไม่ถ้วนนะมากมายเหลือเกินอ่ามันมากมันมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เอาเรกฉันจะ ป, นประมาทฉันจะไม่ไม่เอาอย่างนี้เบื่อวฉันจะตกต่ํานั่นแหละมันจะได้ ชะลอไปอีกไม่รู้กี่พันชาติก็ได้ในขณะที่มีผู้ช่วยดูมีตามีหูมีบันดิตช่วยแนะช่วยนำมีองค์ประกอบอะไรอะไรเนี่ยอาตมาวะ่ะมันก็ยังดีกว่าไอ้ตอนยุคที่ไม่มีคนสอดส่องดูแลแล้วเราก็ไปหามหาม่ไอ้ตอนไม่มีใครดูแลเลยเนี่ยบันเดียเธอยิ่งจะช้าจะนานของตัวเองใหญ่เลยไม่รู้เรื่องเพราะนั้นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยนะกล้าเธอ อย่างจริงมีพระพุทธเจ้าอยู่นี่รีบกล้าหรือว่ามีโพธิสัตว์อยู่นี่กล้าหน่อยถ้าไม่มีโพธิสัตว์อยู่เราไปหามหามกากล้าเดี๋ยวก็ยิ่งกว่านี้นะเพราะคนที่กล้ารู้จักโอกาสที่จะกล้าเนี่ยนะมันก็พร้อมเป็นพอไปแล้วก็ต้องพยายามฟังดีๆสัมเนียกดีๆมีสํานึกดีๆทันเตือนท่านใ้สัญญาณแล้วเราหามไปในทันเห็นเรวบอกหามแล้วเราฟังดีๆนะต้องรู้จกักรับลูกให้เป็นนะดี่ทันเตือนมาแล้วนะทําไมฟังหรือฟังไม่เป็น เตือนมาแรกก็ยังหาไม่เข้าเรื่องไม่เชื่อไม่ฟังดันทุรังต่อก็หลุดก็ร่วงอะไรทคนที่ศึกไปแล้วไม่ใช่อัตมาไม่เคยเตือนคนที่ศึกไปก็เคยเตือนทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยฟังทํางานจนกระทั่งไม่ขึ้นทําวัดไม่อะไรอะไรก็ไม่จะไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่างที่สึกมาดินฟ้าว่าคนติดงานแล้วก็ไม่มันไม่ลงทํากิจวัตรคนกิจวัตรก็ไม่ลงทํางานมันเป็นอยู่สองพวงไม่รู้จะเอายังไง พวกกิจวัตรก็เอา้ากิจวัตรโอ้ยดีแต่ไม่ทํางานนะเกลี้ยงงานทำกิจวัตรแล้วทำงานมากมันเียดน้าเราเนยเขาจัดส่วนที่ต้องจัดสัดส่วนนะต้องจัดสัดส่วนนะกิจวัตรก็ใครมันได้สัดส่วนทํางานก็รู้จักตัวไม่ใช่ว่าลุยไปหมดเลยก็พอเหมาะพอดีแต่ก็ไม่อ่อนแอก็ดีอยู่หรอกแต่ก็พยายามนพยายามจัดนี่แหละสัดส่วนที่จะได้พอเหมาะพอดีหรือว่าสัมมารหรือมัชฌิมาเนี่ยมันไม่ง่าย แต่แต่ละคนก็ต้องทําทุกคนก็เป็นมาทั้งนั้นอาตมาก็เหมือนกันต้องจัดสัดส่วนให้มันได้พอเหมาะพอดีให้มันได้นะเนี่ยทำงานมากหรือว่าพักมากพักมากหรืองานมากจะลงกิจวรรัตรหรือว่าจะทํางานมันก็คนละอย่างคนละอันจริงๆลงกิจวรรัตรเนี่ยมันง่ายเนี่ยทํางานนี่มั น, า ย, น, า น, มนยากจริงๆอะ่ะแต่คนที่มันมันรังเกียจไม่อยากทํากิจวรรัตรไม่อยากจะมาฟังธรรมไม่อยากจะมานั่งสมาธไม่อยากจะมานิ่งอย่งี้เนี่ยแสดงออก แมมันมันเอาแต่งานมันก็จะเป็นปุชนเพรานั่นก็เอาอะไรอร่อเพรา ะ, ะนั้นโดยบอกว่าคนทํางานมากมากนะั่นแหะตกไปซะเยอะจริงๆไม่ใช่หรอกคนอยู่เยอะกว่าคนไปทํางานคนทํากิจวัตรนี่แหละอยู่อยู่มากไอ้คนพูดไปวนๆอีกแล้วนะคนทํางานที่มีกิจวัตรอยู่เนี่แหละไม่ศึกคนทํางานที่ทํากิจวัตรนี่ยไม่เคยศึกแต่คนทํางานเอาแต่ ง, งานลุยๆแล้วก็บาเลือไปไม่ฟังทำไม่ฟัอะไมันก็ต้องศึกก็สิ คนทํากิจวัตรไม่ลงทํางานก็ศึกไปตั้งเท่าไรแล้วล่ะอจริงคนทํากิจวัตรเนะี่ยไม่ลงทํางานนะ่ะมันค่อนมาทางสมถะค่อนมาทางขี้เกียจถ้าออกไปทํางานถ้าออกสึกออกไปตาเราวั ก, กูตรงทํางานก็มันชอบอย่างนี้อมันชอบสมถะนะมันชอบอย่างนี้เพราะงั้นคนจะมาทํากิจวัตรเนี่ยส่วนมากก็ตังเจทดสมถะเก่งๆซะบ้างที่จริงมานะไม่ได้ฟังเท่าไหร่หรอกหลับ หลับแข็งด้วยนะหลับนิ่งดีได้อยู่ทนปุสมัติายู่อยู่ทนพระพรุทธฤษีอยู่ทนนะวกนี้ไม่จเจริญหรอกไม่งานการไม่เอาเพราะพวกที่ทํางานแล้วไม่ทํากิจวัตรก็ศึกพอทํากิจวัตรศึกยากกว่าพวกทํางานก็จริงอยู่แต่ว่าพวกนี้แหละพวกนานนานพวกนานไปอีกหลายชาติ ที่ทำกิจวัตรก็ไม่เคยมีเวลาไปทํางานพวที่ทํางานก็ไม่เคยมีเวลามาทํากิจวัตรไม่จริงอ่ะเพราะว่าเวลาทํากิจวัตรของพวกเราเนี่ยมันมันนานมากไม่ไม่จริงทั้งนั้นผมก็ต้องทํากิจวัตรอะไรไม่ได้ทํางานอะไรไม่ได้คือยังนั่นนยกไปไม่ต้องยกหลอกทุกคนก็เหมือนการวีวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันที่คารวะทําไมให้เขาทากิจวัตรในดูสิเนี่ปะหน้าถูกเขี่ยวต้องมาประชุม ต้องมาอะไรแต่ใดต้องทุกอย่างเลยช่วงกวูต้องคัดงานก็ต้องไปทํามาที่จวัฒนนี่ก็ต้องมาถูกเขี้ยวอะไรเ ข, เขายังทําได้แล้วเราเป็นสมณเราจัดเวลาไม่ได้แต่จัดเวลาคนอื่นเขาทาให้ครบได้โอ้ดีนี่สมณานี่ฉลาดเอาเปรียบนี่งป ฏ, ฏ, ฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ทำแต่คสมณาที่ออกไปทำงานเนี่ยจะไม่สามารถมีเวลาพอที่จะมาทำที่วัดไม่เยิงอะ่ะแบ่งให้มันได้ที่ใครบังคับให้ไปอยู่อยากทําเองอ่ะจนกระทั่งเรียกตามไม่ได้เลย นั่นแหละดีไม่ดีก็เด็กก็ต้องสึกก็ไม่ทําเองเรื่องเองนะมันเป็นความชอบในตัวนะมันเป็นความชอบในตัวแบ่งได้เลี้ยงได้ที่จริงนะอ้างนะอ้างว่าโอ้ไม่ได้หรอกไม่ไม่ที่จริงมันไม่ล่มจมหรอกแต่ว่าไม่ได้ไมันจําเป็นสําคัญอะไรแต่ต่างๆนา น, นาเขา อ, อ้างได้อ่ะฟังดีๆแล้วไปคิดดูดีๆ เนี่ยอาตมายกตัวอย่างอย่างป่อย่างนาคเนี่ทีอย่างนี้เราโอ้โหใจเขาจัดมีทุกอย่างเลยนะกิจวัตรการงานจงให้ครบครันเลยนะแต่สมณะแบ่งไม่ได้ฮะยี่สิสี่ชั่วโมงโง่กว่าป่าเขาอีกป่าเขาทําได้แต่ว่าปะ่าเขาทำได้นาคเขาทําได้แต่ว่าสมณะทำไม่ได้ทําไมสมณะโง่กว่าปะกว่านาคได้บ่จัดกิจวัตรจัดงานการตัวเองไม่ได้นะจัดได้นะจัดได้ยี่สี่ชั่วโมงเท่ากันนวันเวลาพักจะผ่อนจะนอนจะนี่เท่ากันได้นะ จริงๆแล้วเนี่ยธรรมนะไม่ทำบางอย่างปะหน้าเขาต้องทำให้แก่ตัวเองหลายอย่างต้องทาให้สมนัไม่ต้องทำละปะช่วยบางหน้าช่วยบางมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นควรจะมีเวลามากกว่าเขาด้วยซ้แต่เอามาอ้างเนี่ยมันขายขายหน้ามันขายหน้านะสิ่งเหล่านี้แหละลึกซึ้งนะสิ่งเหล่านี้แหละซับซ้อน พูดออกมาหรือว่าเอาออกมานี่ดีต่างคนต่างมีความเห็นต่างคนต่างมีปัญญามีตัวเฉลียวฉลาดเลยแหละทีนี้เฉลียวฉลาดเนี่ยไอติว่าเฉลียวฉลาดเนี่ยมันจะเป็นเฉลียวฉลาดใช้โกหรือว่าเฉลียวฉลาดปัญญาที่แท้ต้องคิดให้ดีใจตรองให้ดีๆนะแล้วก็ต้องจัดสรรอบรมฝึกฝนนะเปนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนนั้ทฤษฎีของพระเจ้าเนี่ยเป็นทฤษฎีที่แหมลึกซึ้งจริงๆเป็นทฤษฎีที่ทําให้คนประเสริฐจริงๆอาตมาเน้นนี่พึง พยายามที่จะหยิบตัววิริยะในอินทรีย์ห้าพระห้ามามาอธิบายมาขยายมาให้เห็นว่าตัวเด่นตัววิริยะนี่จะเป็นตัวที่ชัดเจนเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาไปเราเป็นสมณะที่หนึ่งจะมีบทบาทของความขยันเนี่ยหรือความเพียรเนี่ยคนประเสริฐจริงๆอาตมานเน้นนี่พึง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 ยังเนี่ยยังคุณบัวขวัญเนี่ยนะเขาบอกว่าเราไปทำงานข้างนอกก็ดีแล้วเราก็มาฝึกสมาธิมาฝึกสมถะมาทำกิ จ, จวัตรอะไรพวกนี้ยทำให้เราอินทรีย์พละแข็งแรงแล้วเราก็จะละเอียดละ อ, อ่เราจะจัดสรรทั้งเวลาความร่วความซึมความแอบเสพอะไรความเลี่ยงๆอะไรพวกนี้มันจะถูกขจัดออกไปหมดเลยอ่ามันอ่ามันจะตรวจพบเราจะตรวจจากพบชาต ราวะอัดภาวะตันหาอะไรพวกเรานี่ได้ละเอียดละ อ, อจริงจระงน ะ, ะทําไมเนี่ยอย่างมทฑราเนี่ยไม่ต้องทํางานเลยบัวขวัญเนี่ไม่ต้องทํางานเลยอยูนนอทอ่ที่บ้านทํางานอะไรบ้างเดี๋ยวเนี้ทํางานมากขึ้นหรือเปล่าอ่าสติก็แข็งแรงขึ้นมันจะเกื้อหนุนนะวิริยะเนี่มันจะเกื้อหนุนให้สตินี่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นรู้ตัวได้ทันจัดสรรเวล า, ท, า ท, ทําสมาธิทาสมาธิอะไรได้ดีขึ้นปัญญาจะเฉลี่ยฉลาดว่องไวความ ช, มนชมนานิชานาญอะไรมันจะซ่อนเชิงไปหมดแหะมันจะเกิดความเชื่อเพราะเราเห็นจริงเกิดเชื่อเพราะว่าเราได้เข้าใจมีสภาวะปรากฏมีของจริงปรากฏนะวันอินทรี่ห้าพละห้าเนี่ย้าตัวเนี่ยอาตมา ขยายความให้ฟังแล้วทําไมพระเจ้าถึงบอกเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องแสดงสมณะเพราะตัวนี้เป็นตัวชัดเจนตั้งแต่ต้นจนปลายวิริยะเนี่ยเป็นตัวชัดเจนตั้งแต่ต้นจนปลายเป็นตัวที่แสดงออกชัดว่าอริยะหรือว่าสมณะของพระเจ้าเนี่ยบอกแล้วว่า ส, สมณะของพระเจ้านั้นต้องเป็นอริยะถ้ายังไม่ใช่อริยะยังไม่ใช่หมู่ยังไม่ใช่กลุ่มยังไม่คนภายในยังไม่ในคนที่พระเจ้าท่านรับรองว่าเป็นคนของท่าน พระทุกคนของท่านนั้นจะต้องมีวิริยะเห็นตั้งแต่รูปต้นเลยนะภาคเพียร น, นะอุตสาหาวิริยะจริงๆไม่ลบไม่เลี่ยงไม่แอบไม่เสฟไม่อะไรหรอกไม่ไม่หาทางที่มันจะทําให้ตนเองนี่ติดภาวะตัณหาเพราะว่าภวะตัณหาเนี่เป็นสภาพของาศาสนาพุทธนิรตีแตกเป็นสภาพที่เรียนรู้ได้โดยพุทธโดยฤาษีเรียนภาวะตัณหาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงวิภาวะตัณหาเลย ศาสนาอื่นไม่มีหรอกวิภวตันหาเขาไม่เรียนรู้รู้ไม่เป็นเข้าใจไม่ได้หรอกเ พ, พราะวิภวตันหานี่ลึกซึ้งมากแค่เวิภวตันหานี่ยเขายังลุยไปไม่รอดเลยเขายังติดแกะเลยเป็นรูปประชานะรูปประชานเป็นรูปราคะรูปราคะาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอนนาคามีได้เลยคนโลกโลกเนี่แม้ว่ารูสีนี่นะออกจากบ้านจากเรือนบ้านช่องเรือนชานนะพราะรูสีนี่นะ เหมือนกับไม่เอาลาบเอายศอะไรอะไรแล้วนะไม่ใช่อาณาคาริกะบุคคลนะไม่ใช่พระอาณาคามีนะพะฤาษีเนี่ยทิ้งบ้านจองเดือนชานรับสริงคารโอหูย่อเลยเป็นฤาษีไม่เอาอะไรเลยไม่กินไม่นอนสงบ ม, มากน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่อาาคามีนะโสดาบารมิวเจ้ายังไม่รับเลยฟังให้ดีโสดาบารมิวเจ้ายังไม่ให้ตําแหน่งเลยนะ ก็มันไม่ได้สอดซ้อนมันไม่ได้ครูต้องเลยในระบบที่จะต้องพิสูจน์นอกในจะต้องเข้าใจในภาว ะ, ะ, วะในตันหาสามการมาตันหาเหมือนกับละลางปราไม่ได้กระทบสัมผัสเท่านั้นไม่ได้กระทุ้งกระแทกเท่านั้นหยาบยังไม่ได้เลยแต่วางหนีทิ้งลืมมาเฉยเฉยยิย่งภาวะตันหายิ่งไม่เรียนรู้ใหญ่เลยจมอยู่ในภพบลงว่าเป็นฌานเป็นรูปฌานอะรูปฌาน หลงว่าเป็นชาญเป็นรูปชาญอะรูปประชาญจมอยู่ในภาวะตัาหาอย่างดิ้งเลยโซดาบันก็ไม่ได้นีอย่าว่าอนาคามีนะแต่ดูแล้วมันเหมือนกับสูมันเหมือนโอ้โหเนี่ยทำไมเอาแล้วบ้านเมืองก็ไม่เอานะมีฤาษีปดพระเจ้าแผ่นดินออกไปนั่งเป็นฤาษีเยอะไปบ้านก็ไม่เอาเมืองก็ไม่เอาลาบยศไม่เอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่เอาอเหมือนก็ยังเป็นพระอรหันไม่ใช่โซดาก็ยังไม่ได้เลย ประโยชน์ท่านก็ไม่ได้เวริยะก็ไม่มีขี้เกียจแล้วก็อยู่ยังกดไพบในอัตตาอย่างงั้นแหละจมอย่างนั้นแหะความลึกซึ้งพวกนี้นี่ไม่ใช่ตื่นตื่นความลึกซึ้งพวกนี้ลึกซึ้งซับซ้อนมากเหลือเกินอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะงั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตเห็ในพระติปดกทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าไม่เคยแนะสอนคารวะให้ออกป่าไม่มีโดยเฉพาะให้เป็นนั่ง ที่แจ้งล้อมฟังไม่ฐานสกิทาฐานสกิทาขึ้นไปหาอนาคาจรงิงๆให้เป็นนั่งสมถะเจโตสมถะเนี่ยจริงๆฐานสกิทานะคะคือว่ามันมันมันมันมันจะต้องเรียนรู้ในสมถะเรียนรู้ในการนั่งสมาธิเรียนรู้ในภาพภพภวะพบพพพพพพพพเรียนรู้ในภาวะตัญหาที่จะต้องรู้ว่าเราฟุ้งซ่านเท่าไหร่เราอะไรเท่าไหร่พวกเราเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่บางคนอยู่ในฐานของสกิทาเยอะ เพราะเจ้านั่งเจโตสมถะบ้างแล้วก็ต้องไปทํางานนี่บ้างอนาคามีไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาแล้วคือไม่ทําไม่ใช่ผู้ที่ทําแล้วไม่เอาตัางหากไม่ใช่ผู้ไม่เอาแล้วไม่ทําผู้ที่ทําแล้วไม่เอาตัางหาอนาคามีาก็ตมเะวิริยะแสกแสกแสกซ้อนอยู่ทุกอย่างอะไรขาดวิริยะไม่มีทางสําเร็จ เพราะยัตัดยังวิริยะไม่ถูกแบบวิริยะไม่ถูกทางวิริยะผิดทางไปใหญ่เลยนั่งนั่งทนน่ะเหรอวิริยะสร้างภพไงวิริยะสร้างภพไงวิริยะสร้างก้อนดินก้อนหินว่างทําให้คนเป็นก้อนหินไงนั่งทนนะก็ดีก็ไปสมถะชนิดหนึ่งเป็นสมถะชนิดหนึ่งพราะเจโตสมถะเนี่ย จริงๆแล้วก็บอกอีกบุคคลประเภทมีเตโลกุตระไม่มีเจโตสมถะเลยมีได้แต่บุคคลที่มีเจโตสมถะไม่มีโลกุตระก็มีได้จะเอาไห้เราไม่มีโลกุตระเป็นแบบฤษีมีเจเจโตสมถะนั่งทนอยู่นิ่งได้นิ่งแกงจริงๆนะนิ่งแกงจนกระทั่งไม่หายใจนะสมถะเขาเนี่ยไม่หายใจนะหายใจบ้างอู้สมถะเขาศึกษา ก, กันมามาก นั่งเอาไปฝังดินกรบอยู่ตั้งเป็นสิบสิบวันไม่ตายถึงขนาดนั้นน่ะทำตัวเองยิ่งกว่าสัตว์หลายประเภทที่มันหายใจน้อยเนี่เบาอ่อนแล้ก็ทั้งไม่ตายล้วแค่นี้ก็อยู่ได้รอดถึงขนาดนั้นทนไม่ถูกทางแต่ไม่ได้หมายเขามาเจโตสมาธไม่อุปการะอุปการะพอประมาณแล้วก็จะช่วยให้ได้พอประมาณแล้วก็ต้องรู้จักวิธีว่าจะนั่งเจโตสมานั่งไปทำใหม นั่งไปเพื่ออะไรนั่งเจโตสมาธิแล้วยิ่งกดยิ่งข่มยิ่งสะกดจิตแล้วมันไม่ฟุ้งหรอกให้ตายนั่งไปก็อยู่จะกว่างๆอย่างนี้แหละเพราะมันไม่ฟุ้งมันไม่ฟุ้งแล้วมันจะเรียนอะไรได้อีกต้องไปกระแทกให้มันฟุ้งก็กดมันมากต้องไปกระแทกให้มันฟุ้งมากๆด้วยเพราะฉะนั้นพุที่เป็นฤาษีมากๆแล้วนี่ถึงคุยออกมายากกระทุ่งไม่ค่อยออกเพราะมันหนามันแน่น ไม่ละเอียดนะครับไม่มีจิตให้ให้อ่านกลับยังไม่มีจิตให้อ่านกลับยิ่งลืมและสะกดมันฝังมันพระเจนั้นทไมจะต้องไปสัมผัสต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยอย่าไปเถียงพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่จะเป็นอนัตตาก็ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยด้วยทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจหทวารไปอ่านสูตรอนัตตลักษณ์สูตรส ก, กรายติฏฐิอัตตานุติฏฐิสูตรที่ เอาอย่างอาตมาทําไมล่ ะ, ะก็อาตมาเองอาตมาก็จะสงบสมไม่ไม่เหมือนกันที่อาตมาสงบตอนนั้นก็เพราะว่าอาตมาจะทํางานแค่นี้กัตัวเองมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากใหญ่ไม่อยากจะไปมุ่งวุ่นวามากมายอะไรก็ไองานอะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะจะว่าเป็นมานะชนิดหนึ่งถือดีว่าเราไม่อยากใหญ่มันก็ซ้อนนะว่าเหมือนกันอยากดีนะแต่ที่จริงเราก็มีอัตตาของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันก็เป็นเศษเป็นซ้อนบางเหมือนกันเป็นเศษเป็นส่วนของอาตมาบางเหมือนกันตอนนั้น แต่ที่จริงแล้วธรรมชาติก็ต้องคุยอาตมาให้ออกมาทําให้ออกมาทําจริงๆก็ต้องออกมากระโดดรลดเต้นอย่างนี้แหละที่เป็นตัวต้องที่จริงเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันก็เอียงไปข้างนั้นอยู่บ้างมันเป็นอัตราที่มันก็ค่อยมันก็ค่อยปรับตัวมันก็ค่อยปรับจนกระทั่งอาตมาจะรู้ว่าตกฐานไหนเป็นยังไงยังไงจนค่อยมารู้ต <asi> ัว <barely> ค่อยมารู้ตัวค่อยมารู้ตัวเป็นลำดับลำดับลำดับลาดับจะว่าจริงๆแล้วมันก็จะว่าผิดก็ผิดบ้างนะแต่จะว่าถูกก็ถูกตามฐานนะ ก็อ่านจิตอ่านใจได้ก่อนสิทำงานนั่นแหละอ่านจิตอ่านใจคุณทํางานอ่านจิตอ่านใจไม่เป็นนั่นแหละมันก็ไม่เป็นคุณจะได้มานั่งสงบอ่านจิตอ่านใจก็ยิ่งสงบมันก็ยิ่งอ่านง่ายยิ่งสงบก็ยิ่งอ่านง่ายก็หยุดทุกทีสิก็ไปอ่านจิตที่มันไม่สงบบองสิก็จะมานั่งสงบแล้วก็อ่านง่ายแล้วสงบก็อ่านง่ายก็ยิ่งสงบเก่งก็ยิ่งอ่านง่ายสิแล้วง่ายแล้วไปทําไปทําไมล่ะก็อ่านได้แล้วอ่ะ ก็ต้องไปหาดให้มันฟุ้งสิแล้วก็จะได้อ่านได้แล้วก็เราก็ค่อยอ่านไม่เป็นด้วยพอไปฟุ้งหน่อยนึนกจับไม่ทันแล้วฟุ้งนีดจับไม่ทันแล้วอ้อนแออยู่นั่นแหละไม่ใช่จิตสงบทําให้จิตนั่นแหละอ่านจิตแล้วก็วิเคราะห์กิเลสวิธรรมวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกสติจะเป็นสติสมบูรณ์ชงดิขังแรงคือสติที่ตื่นสัมผัสเก่งอะไรแต่ใด ร, รับรู้ได้ตลอดทุกทวาร มันจะสติสะโพกชงก็คือมันนั่งอยู่ก็จิตจิยิ่งมันนั่งมันก็ยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งงอง่ายมันก็ยิ่งสบายมันก็ยิ่งเบาแล้วมันก็ไปหลงพบแต่แล้วก็ว่าอ่านก็ไปอ่านอะไรมากมายแล้วก็จิตมันง่ายแล้วว่าเก่งแล้วก็อ่านยิ่งยิ่งนั่งก็ ig, ยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งง่ายยิ่งง่ายก็ยิ่งไม่มีกิเลสให้เห็นเพราะว่ามันหมักแล้วมันลืมมันกดไว้แล้วมันลืมมันทิ้งมันลืมมันก็ไม่มีก็ไปต้องไปกระทุ้งออกมา ถ้าเข้าใจมรรคองคแปดนี่จริงๆมีภาษาเป็นปัจจัยมีการงานเป็นหลักคิดต้องคิดคิดให้มากขึ้นด้วยซ้ําไปสังกปะให้มากขึ้นแล้วเราจะได้ดูว่าไอ้ที่มันแกว่งนี่นะไอ้ตัวสังกปะไอ้ตัววิตกวิจารใ้สังขารเนี่ยอัปปนามันจะแน่นขนาดไหนมันต้งจะพิสูจน์เพราะถ้าอันนี้มันเวียงเร็วอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอัปปนาพญปนาก็ไม่รู้ว่ามันแน่นก็ได้ ตอกนั่นนั่นนั่นัน่ น, น, นเลยไม่มีอันี้เลยอันนี้ก็อ่อนไปตามจมสังขารเรื่อปรุงก็ไม่มีจบแต่ชีวิตไม่ได้อยู่กับแบบนั้นไม่ได้อยู่กับหลักกับตออย่างนั้นไม่ได้อยู่กับหลักตายอย่านะั้นเป็นสมถติฐานเป็นตรษีเพราะฉะนั้นเราจะแข่งได้มากไหมมากเกินไปเราสู้ไม่ได้เราก็เอาแค่นี้ก่อนเราปรุงมากไม่ได้สังขารมากไม่ได้เอาแค่นี้แค่นี้ตามฐานะของเราเพระเาะฉะนั้นต้องบอกต้องรู้ฐานของตน รู้สักกายะของตนถ้าเกินแรงเราจะพึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะถอยเราจะต้องเดินแรงอีกแรงอีกทสัสพพันธ์ให้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกอย่างนั้นต่างหามันถึงจะหมดมันถึงจะจบมันถึงจะสมบูรณ์เมราฉะนั้นไม่มีทางเกลี้ยงนะโน่ินทัางออกนอกเกินไปมันไม่อยู่กับหมูแล้วมันก็เป็นอัตราชนิดหนึง่งก็เอาตามกูไปฟังแล้วหมู มันต้องอยู่ในขอบเขตหมู่ที่งามไม่ใช่กระเด็นกระโดดกระเด้ยอยู่นอกหมู่ไม่ใช่กระโดกดกระเด้โดนโดนนอกหมู่ก็โดนเก็บมันก็อยู่ในหมู่ก่อนมันเป็นอัตราชนิดหนึ่งเหมือนกันอัตราชนิดที่าเอาแต่ตามใจกลัวเอาแต่ยางของกลัวแล้วก็ไม่ฟังเสียงมติหมู่อะไรแต่ไม่หมู่อะไไม่เนี่ยมันก็จะต้องเข้ามาอยู่ในหมู่เนี่ยให้เป็นไปพร้อมๆกันเป็นไปอะไรกันนั่นก็คือร่างอัตราชนิดหนึ่งให้ แต่พระองค์ยังดื้อๆ อ, อยู่มันก็ยังอาตาอยู่อย่อยางงั้นนะมันก็ยังไปอีกนานเลยนะนไม่ใช่ชาติเดียวนะไม่ใช่ชา<ด>ติเดียวดีงา น, งานยังทํางานยังดีกว่านั่งหมักอ่าอ่ายังยืนนั่งห ม, ม, มักนั่งห ม, ก น, ง ม, ก, นงมกนี่ช้านานยิ่งกว่าช้านานยิ่งกว่านั่งหมักนั่งหมกนี่มันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดรู้มันไม่กิดเจริญด้วยปัญญานั่งหมักนั่งหมกนี่มันยิ่งเสื่องยิ่งโง่ไปนะ อ๋อท่านว่างงัแก้ไขตัวนั่แหละมันแก้ขวยแก่จริงๆตามใจกูใครพูดไม่เคยฟังไม่เคยอะไรไปอาตมาเองก็ยังดึงไม่เคยจะอยู่เลยไม่ก็เอาฐานมันยากจริงๆนะไอ้คนดื้ออาตตาเนี่ยดื้อใช่ฟังพูดนี่ไม่ฟังก้าดานนี่บอกว่ามาเป็นลูกศิษย์อาตมานะก็บอกว่าอ้าวยอมมอบตัวเป็นอาตมาขนาดอาตมายังไม่ฟังแล้วคนอื่นยัไมฟังเลย อาตาเนี่ยมันยิ่งจริงๆเลยนะขณะเราเป็นลูกศิษย์อาตมาเรายังไม่ฟังอาตมานะไม่เชื่อว่าอาตมานี่รู้กว่าไม่อะเขายัางดื้อยันนั่นน่ะดีไม่ดีก็บอกว่าเราคิดถูกกว่านะเขาคิดยังไม่ถูกอะอาตมาคิดยังไม่ถูกเราเราคิดถูกกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ปัจจุบันนะทำเวลากระทบสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ต้องอ่านให้ทนันอ่านให้เร็ว มันไปนั่งสงบอย่างนี้อ่านมันง่ายฤาษีนเ น, นี่ยมันวิธีง่ายๆ่ า, าอมันต้องอ่านในขณะที่กระทบสัมผัสจะต้องมีความแววไวจะต้องมีมุทุพุทธาตุที่ดีที่เร็วเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกระทบมากเกินไปกระทบแรงโอ้โหมันมั น, มนไวมันไม่ทันนั่นแหละคือสร้างสติวิริยะจะก่อให้สร้างสติวิริยะสัจตินรียก็จะเชื่อไปเรื่อยๆวิริยะ เพียงงา น, นาเพียงการมันจะก่อให้มีกระทบสัมผัสมันให้สร้างสติสติจะแข็งแรงไวแววไวสติสัปพัญญะปัญญามันถึงจะตามอ่านตามเร็วอะไรๆได้นะแต่มันนั่งนั่งงี้ไม่มีวิรยิยะแล้วบอกว่าวิริยะอะไรวิริยะนั่งงี้เป็นวิริยะการนั่งทนนั่งแล้วมันก็กสงบมันก็เป็นสมุท tha อ่าก็สงบแล้วนี่มันก็อ่านได้แล้วแล้วยิว่งมันสกบลงไปอีกอีกอีก็กกกว่ายินกอ่านง่ายขึ้นแล้วเจะเป็นนั่งแช่อยู่ทําไมล่ะ ใชม่มันยากตรงที่มันเร็วทั้งหากมันยากมันตรงที่ผัดสาแล้วเราอ่านไม่ทันต่างหากมันนั่งสงบแล้วก็ไปอ่านแล้วจะได้อ่านละเอียดจริงๆฟุ้งซ่านนึกคิดพอเข้าไปห น, หนักๆเข้าก็นั่งไม่หลับไปเลยก็นั่งคิดฟุง้งคิดไอ้นี่นมันตักกศาสรนไม่ใช่ามันเป็นการนั่งคิดแล้วก็นึกว่ามีปัญญาจริงจิตยิ่งสงบเข ก, ก็ยิ่งคิดรึกอะไรอะไรเก่าๆได้สัญญาก็ขึ้นมากๆเอามาปรุงมาปนมาอะไรแต่ของเก่าทั้งนั้น ของเก่านะั้นมีของใหม่เรามีอะไรก็คือเรามีอันนั้นไม่มีปรตโตโคลสกเพราะฉะนั้นเราไปสัมผัสไปแต่ต้องไปมีเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะตรวจปรตโตโคลสกมันจะเกิดสัมมาทิฐิที่สมบูรณ์ขึ้นถ้าไม่มีปรตโตโกลสกโยนิสมะนาสิกานี่นะโยนิโสก็คือพิจารณาให้แยบคาย แล้วก็ปรับจิตปรับใจมานักสิการทําใจไปเรื่อยๆกับการรู้อื่นกับการรับอื่นมาเรื่อยๆอันนี้จะทําให้เกิดสมาธิิสมาธิาิ 3. ไม่ได้นั่งคิดอยู่ตัวเองอยู่พบไม่มีอื่นไม่มีอื่นแล้วก็บอกว่าแยบคาอยู่ในนี้แล้วก็ทําใจให้สงบสงบอยู่นี้ไม่ใช่อันนั้นเจตัวสมร tha อันนั้นไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่การเพิ่มอื่นไม่จะรับอื่นมาอันนั้นเป็นของตัวเท่านั้นมีเท่าไหร่กี่ชาติกี่ชากี่ปางคุณมีบารมีมีอะไรเท่าไหร่ของคุณเท่านั้นเอง กาจะเจริญนี่เราจะต้องรับอันอื่นม า, าเจริญทั้งนั้นเราจะได้รู้โลกกว้างมีจักรวาลมากจักรวาลใหญ่จักรวาลที่เพิ่มเติมขึ้นไม่ใช่ของเก่ า, ญญาสังงขาาต้ อ, อปรุงในเวลานั้นแหละนะปุญญาพิสังขารก็คือขัดเกลวสังขารในขณะนั้นขณะนั้นปุญญาพิสังขารจนกว่าเราจะไม่มีกิเลสมาร่วมสังขารเรียกว่าวิและเราก็ปรุงได้อย่างทํานานแคลครอง เรียกว่าวิวินียมันอย่างยิ่งก็อย่างไม่อยู่ในตัวเดียวกันเองนะอ่าไม่ไม่มีกิเลสมาสังขารร่วมแต่เราสังขารได้อย่างยิ่งสังขารโดยปลอดภัยจากกิเลสจึงเรียกว่าวิสังขารไม่จะสังขาร่าแปลเอียงข้างเนี้ยว่าไม่ปรุงอะไรเลยเนี่ยมันแปลอย่างฤษีแปลอย่างฤษีมันไม่ไม่ไม่ถูกคำวเจ้ามันแปลวิสังขารไม่มีสังขารอะไรอีกแล้วใช่ไม่มีกิเลสมาร่วมสังขารแล้วจริงๆ ไม่มีกิเลสมาร่วมสังขารแล้วจริงๆเป็นการสังขารที่เป็นปุญญาพิสังขารพระพุทธเจ้า ก, ก็เรียกอิทธาพิสังขารเลยละ่ะเราเป็นของเราก็เราก็ปรุงขัดเกลากิเลสเราขัดเกลากิเลสผู้อื่นเราเรียกปุญญาพิสังขารเป็นการปรุงอย่างยิ่งปุญญะบวกอภิบวกสังขารเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็เรียกอิทธาพิสังขารปรุงได้อย่างมีฤทธิ์เรียกอิทธาพิเรียกว่าอิทธาบวกอภิบวกสังขารอิทธาภิสังขาร ปรุงได้อย่างเป็นริดเป็นแรงเลยของพผู้เจ้าเนะี่ยยอดเยี่ยมแล้วจะปรุงยังไงฉันฉันท่านเถาะยกท่านไว้ท่านยอดท่านเยี่ยมของเราก็หัดไปสิหัดขัดเกลาตัวเองในขณะที่เรารับสังขารปรุงอยู่อะไรเนี่ยเราก็ขัดเกลาตัวเราขัดเกลาผู้อื่นขัดเกลาตัวเราขัดเกลาผู้อื่นเขาก็ต้องมีผลกระทบมีผลกระแทกมีผลย้อนออกมาเมื่อผลกระแทกกระเทือนออกมาเขาก็เล่นกับเราบังเราก็ต้องรับลูกว่าไปให้ปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปกันอยู่งี้ย ไม่งั้นไม่ครอบครองไม่งั้นไม่ไม่ละเอียดละออนไม่งั้นไม่มีไม่ไม่มีการล้างอัตตาได้ไม่มีแม้แต่กลางก็ต้องสัมผัสแต่ต้องมันบ้างเป็นไปตามขั้นตามตอนมันจะเป็นตามสัตว์ตามส่วนของมันไปตามธรรมชาติเพราะสูตรมังองแปะนี่เป็นสูตรธรรมชาติมังองแปะนี่เป็นสูตรธรรมชาติไม่ใช่สูตรผิดธรรมชาติสูตรมนุษย์ธรรมดานี่แหละมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่เรื่องฤูสีไม่ใช่เรื่องอะไรอะไรคนที่ไปบวช ก, กับพระเจ้าไปสมัยพระเจ้าเป็นคารวเป็นเป็นภิกษุเป็นอะไรเนี่ยเป็นพวกมีบุญบารมีเพราะท่านสอนฐานุธรรมดานี่คารวะเนี่เป็นฐานธรรมดาเนี่ ย, นน ย, ยถ้าไม่เคยยุแย่ไม่เคยสอนให้คารวาะเนี่ยไปนั่งแบบฤูสีไปทําแบบรูษีถ้าสอนมักองแปดกับคารวานเนี่เป็นใหญ่ส่วนสอนสมณะเนี่ยจะต้องทดสอบภิกษุให้มันนั่งให้มาห่างไปพระต้องไป เรียนรู้พระตัตหาให้สําคัญแต่อย่างคารวะเนี่ยไปตามลำดับเลยโซดาสกิทาอนาคาท่านสอนไปตามลำดับแล้วสอนไม่ต้องไปนั่งเข้าป่าเข้าเขาเข้าธรรมอะไรตัได้มากมายและป่าที่ว่าเป็นสํานวนที่จริงเป็นํานวนที่อธิบายให้ฟังมาแล้วนะอ่ะเอาละเวลาเวลาไปพอสมควรแนละ้วสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ต่อพรุ่งนี้ใหม่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 บัณฑิตทราบข้อความนี้โดยพิเศษแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมะเป็นที่เที่ยวไปของพระอริยะทั้งหลายยอมบันเทิงในความไม่ประมาทผู้นั้นมีความเพ่งทำความเพียรติดต่อมีความบากบันมั่นเป็นนิสเป็นผู้ฉลาด ยอมแดบบรรลุพระนิพพานอันปลอดโปร่งจากโยคะนี่เขาวงเล็บไว้ข้างท้ายว่าคือกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้ในความเวียนว่ายตายเกิดโยคะปลอดโปร่งจากโยคะคือกิเลสปลอดโปร่งจากกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในความเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังมาม า, มากในะความไม่ประมาทกับความประมาท มันกินความลึกมากคําว่าประมาทไม่ประมาทนี่ปุถุชนไม่รู้เรื่องนะปุถุชนยังไม่รู้เรื่องหรอกประมาทคําว่าประมาทไม่ประมาทของเขาเนี่ยในปุถุชนเนี่ยก็แค่แต่มีความหมายว่าออันนี้เรารู้อยู่ว่ามันไม่ดีแล้วเราก็ไปทํา เรายอมไม่ดีไปทำเป็นความหมายกว้างๆเท่านั้นไม่ดีของเขานั้นก็ตามฐานความรู้ของปุถุชนไม่ดีประเภทใส่หัวหมาด่าแม่แจ็คเกอรไปทําทุจริตหยับหยาบอะไรต่างๆนานาพวกนี้เขาก็ถือว่าอันนี้ไม่ดีเป็นทุจริตหรือว่าเป็นความไม่ดีไม่งามที่หยับหยาบประมาทเลนเลิกกับสิ่งที่ไม่น่าจะไปทาหยับหยาบอย่างนั้น หรือไปทำการไม่ระมัดระวังไปทำการไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรเขาก็หมายความอันนั้นว่าประมาททำการสิ่งที่ไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรโดยความหมายจะไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรนี่แหละเป็นความหมายของคาว่าประมาทมากกว่าเพราะควรจะระมัดระวังให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งกว่านั้นเรียกว่าไม่ประมาทของทางพุทธชนเขาหมายนะ ทีนี้ทางของศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสในฟังแล้วเนี่ยมันไกลมันลึกเหลือขนาดนะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายนี่เป็นภาคสํานึกส่วนภาคผลหรือเป็นภาคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสลึกขึ้นไปอีกว่าผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทย่อมเหมือนคนตายแล้ว เพราะนั้นยังไม่ต้องไปถึงขนาดกระทำอะไรหรอกลงว่าในลักษณะที่ชื่อว่าประมาทผู้ใดประมาทลงไปนั่นน่ะยังไม่ต้องไปทําอะไรตายแล้วนั่นชื่อว่าตายแล้วผู้ใดไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตายเลย ผ, ผู้ที่ชื่อไม่ประมาทเนี่ยชื่อว่าผู้ไม่ตายส่วนผู้ประมาทย่อมเหมือนคนตายแล้ว ลึกไปถึงขนาดนั้นทีนี้ท่านบอกว่าบัณฑิตทราบข้อความนี้โดยพิเศษบัณฑิตทราบข้อความนี้โดยพิเศษแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ถ, ถ้าผู้เป็นบัณฑิตได้รู้ว่าความไม่ประมาทคืออะไรแล้วก็พยายามตั้งอยู่อย่างพิเศษนะ โ, ดโดยพิเศษเรียกว่าไม่ใช่ธรรมดานั่นเองวิสามันโดยพิเศษหรือวิเศษ โดยไม่สามัญอยู่อย่างเรียกว่าตั้งอยู่ในสภาพไม่ประมาทอย่างได้ฝึกฝนเยี่ยมยอดไม่ใช่ธรรมดาของคนธรรมดาที่จะพึงเป็นไปเท่านั้นเมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมะเป็นที่เที่ยวไปในนี้เขาบอกเรียกไว้ว่าแห่งจิตของพระอริยะทั้งหลายที่จริงมันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั่นแหละไม่ใช่จะแต่แห่งจิตท่นั้น ยินดีในธรรมะเป็นที่เที่ยวไปธรรมะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปนที่จะเอาวัจรเป็นที่เที่ยวไปที่จะเอาวัจรคือเป็นไปในธรรมะทั้งจิต ท, ทั้งกายทั้งวาจาที่จะเป็นไปเอาวัจรที่จะเป็นไปที่จะเที่ยวไปที่จะดำเนินไปนของพระอริยะทั้งหลายเพราะในลักษณะของผู้เป็นพระอริยะทั้งหลายก็ย่อมรู้กุศลรู้อกุศลและย่อม อวจรย่อมดําเนินไปย่อมเป็นไปย่อมเที่ยวไปอะไรโคจรก็ได้โคจรโคจรก็เป็นสภาพที่สมบูรณ์กว่าอวจรนั้นเป็นรับสภาพของจิตเท่านั้นในตัวนี้ไม่เอาไปจะมาจากพระบาลีอวจรหรือว่าโคจรนะถ้าอวจรก็เป็นสภาพดาเนินไปของจิต อันนี้เขางอกเรียกว่าแห่งจิตนะก็เลยจิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านตรงนี้ทั ก, กว่าควรจะเป็นโครจรก็ได้อาจจะเป็นจกักเป็นโครจรก็ได้ที่เที่ยวไปเนี่ยโครจรก็ได้อาวจรก็ได้ถ้าอาวจร น, นี่หมายถึงจิตอวจรไปหมายถึงนามธรรมเป็นส่วนเน้นส่วนโครจร น, นั้นไปทั้งกายวาจาใจซึ่งก็เมื่อกี้ก็ได้พูดแล้วคุ้มไปแล้วนะ วาทั้งกายว่าใจาคือตําเนินไปโครจรนี่เที่ยวไปไปทั้งหมดนะ่ยทั้งกายว่าใจาของพระอริยะเพราะงั้นผู้ไดที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วยินดีในธรรมะคือยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะพบกับศัตรูไม่ได้มีความยินร้ายไม่ได้มีความยินร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึก จริงของจิตนะอตมาพูดนี่พูดโดยมีสภาวะตนเองอยู่เหมือนกันนะอัตมาไม่เคยว่าพบประสบกับผู้ที่เป็นศัตรูผู้ที่เคยทำร้ายเราผู้ที่เคยด่าเราผู้ที่เคยอ่ก็นในชีวิตอัตมาไม่เคยถูกคนทำร้ายถึงขั้นตีหูตีหัวนะอย่างเจงก็แค่ด่าแล้วก็ไม่เคยถูกใครด่าร้ายแรงไม่เคยในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคารวาตั้งสมัยเป็นคารวาสถูกด่าอย่างประเภทที่เรียกว่าด่าชีา้หน้าชี้ตาดา่าไอหาไอเหว่อะไ ร, ะไ ร, ะไรตา่นานานอาตมาไม่เคยเลยในชีวิตเนี่ยไม่เคยมีใครมาทำอย่างนี้กับอาตมาอันนี้ก็เป็นสภาพที่คิดว่ามันเป็นวิบากของอาตมาหรือว่าเป็นบารมีหรือเป็นบุญเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นจริงอย่างนั้นไม่เคยด่าก็ด่าอย่างนี้แหละ และดูเหมือนจะโดนด่ามากมาเป็นมามาัปทำงานทางธรรมเนี่เป็นค า, ารวาสเองไม่โดนด่าอย่างนี้ไม่เคยโดนด่าแบบนี้ไม่เคยเลยแต่เคยเห็นเคยเห็นคนอื่นคนด่ากันเคยเห็นคนด่าหยับยาบคล้ายๆยาวไม่จด่าธรรมดาเลยกระดูกเขาตีกันเลยอะไรอะไรต่างๆ น, นๆานาเเคยเห็นแต่ตามามไม่เคยในชีวิตไม่เคยถูกใครตีและไม่เคยถูกใครด่าอย่างนั้นในชีวิตนะ มาเป็นสมณะมาทํางานศาสนานี่แล้วจึงโดนด่าแล้วโดนด่าอย่างที่ด่าที่เป็นนี่แหละแต่ก็ไม่เคยมีใครมาทีนี้ก็พวกเราก็อยู่ด้วยทั้งนั้นก็ไม่เคยมีใครมาจาบจ้วงอตอนหน้าต่อตาอย่างนี้ไม่เคยแต่มีแต่อย่างเนี้ยถ้าไม่มีเทปคงค ง, งจะไม่รู้หรือซ้ํานะถ้าไม่มีเทปคงไม่รู้ด้วยว่าเขาด่าเรารับหลังยังไงแค่ไห น, นดีแต่ว่ามีเทปก็เลยได้ฟังด่ า, าที่เขาว่าเนี่อ่า อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เนี่ยอัตมาก็ได้รู้ก็รู้จักอย่างคนที่ด่ามาน้ําเสียงอะไรแต่ไรที่ฟังจากเทพ ฟ, ฟังอะไรเขรู้จักหน้าตาเนื้อตัวอบางคนก็เคยเคยพบกันเคยเห็นหน้ากันเขาด่าแล้วเขาไปเคยสัมผัสกันคือไปพบกันก็ไม่เคยมีใจที่ว่าเออเราก็เกลียดชังหรือว่าเราก็น่าจะ โกรธแล้วก็เข้าไปตะเข้าไปด่าเขาตอบเข้าไปทําอะไรเขาที่จะเป็นการอาฆาตแก้แค้นมึงรู้ว่าเมความรู้สึกของใจอ่ะนะใจเราก็เออคนนี้นี่มันน่าจะด่าเขาม้างมันน่าจะทําอะไรให้เขาเจ็บเจ็บบ้งอะไรไม่เคยนะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนงั้นนะคือที่อาตมาเอามาอธิบายให้ฟังนี่ก็คือว่า ชาตินี้เนี่ยอาตมาเองเนี่ยในเรื่องของกามนี่นะอาตมามีความรู้สึกแล้วก็มีความรู้นะว่าอารมณ์กามเป็นอย่างนี้ชาตินี้อาตมาเคยเกิดเป็นคารวาสเนี่ก็เคยมีอาการเเป็นกามนะเป็นราคะเป็นกามอารมณ์ของกามรสของกามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเคยเกิดแต่อารมณ์ของโกรธเนี่ยอารมณ์ของโกรธ แล้วก็เป็นความโกรธอย่างที่ว่านแต่ไม่ใช่ไม่เคยโกรธนะอารมณ์โกรธอารมณ์มาก็เคยมีไม่มันไม่ชอบใจเนี่ยรู้สึกไม่ชอบใจเนี่ยแต่มันไม่แรงไม่อะไรๆอะไรหรอกไม่เคยไปอาฆาตใครโกรธก็อย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์เคยโกรธเนี่ยโกรธไม่ใช่เพราะเขามาตีเขามาด่าอะไรโกรธเพราะไอ้เรื่องราวที่บางทีเราไม่ชอบใจของเราตอนนั้นอ่ะเออคนนี้ทําำมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็โกรธอารมณ์อย่างนี้มีเคยมีในชีวิตนี้ในตั้งแต่ระลึกชาตินี้เกิดมาเคยมี อารมณ์โกรธอย่างนั้นก็เคยรู้จักแต่ว่าโกรธอย่างทจะไปอาฆาตแล้วก็เจอคนที่เนี่ยว่าคนนี้จําไว้อาฆาตพยาบาทมันทําอะไรให้เราอย่างงนี้แล้วก็เกิดโกรธอยากจะแก้แค้นไม่เคยมีแล้วไม่เคยมายิ่งปฏิบัติทำแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วแล้วก็ปล่อยวางเลิกนะไม่ว่าทั้งกามไม่ว่าทั้งโกรธปล่อยเลิกแล้วมาบวชแล้วมาทำมาทํางานทางศาสนานี่แล้ว ยิ่งโดนด่าอย่างที่ว่านด่ายิ่งกว่าเป็นสมัยเป็นคารวาสสมัยคารวาสประมาไม่เคยถูกด่าถูกยามถึงขนาดนี้เนี่ยมาเป็นสมณนะมาทำงานาศาสนาแล้วจึงค่อยมีคนด่าคนยามถึงขนาดนี้นะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยมีอาการว่าเอเราจะต้องเป็นผู้สัมผัสแต่ต้องแล้วก็จะต้องรู้สึกว่าเออเราโกรธเขาเกลีดเขาชัง มันเป็น จ, จิตจิตเจตนายินดีอยู่ไม่มีความยินร้ายนี่แหละที่อาตมาจะอธิบายตัวนี้ให้ฟังมีความยินดีเออมันก็อย่างนั้นนะมีมุมกลับด้วยซ้ำยังนึกด้วยซ้ำว่าถ้าไม่มีเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่จัดขึ้นไม่แรงขึ้น ไม่มีสภาพที่จะเผยแพร่มากขึ้นเขาด่าเราเราก็ไม่เดยนึกว่าเราเสียหายอะไรไม่ได้น้อยใจนะไม่ได้น้อยใจไม่ได้ไม่ได้นึกว่าเสียหายแต่รู้อยู่ตัวว่าเราก็ไม่ได้น้าด้านนะก็รู้อยู่ว่าไม่รู้จะอ ร, ริบยา ย, ยางไงนะพวกคุณฟังกันแล้วกันว่าคือลักษณะคนหน้าด้านที่ด่าไม่เจ็บดา่าแล้วก็เฉยอะไรพวกนี้นาะพวกคุณก็คงรู้นะว่าคืออะไรยังไง เราเคยเป็นหรือไม่ก็คงจะรู้แต่อัตมาว่าอัตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นว่าเออเขาด่าแล้วเราก็ไม่ไม่เจ็บจะทําไมอะไรเงี้ยไม่รู้จะใช้อะไรพูดนะก็อัต ja มาก็ใช้สื่อภาษากันละกันทั้งทั้งที่ตัวเองนี่ชั่วทั้งทั้งที่ตัวเองนี่จริงอย่างเขาดา่าแต่ก็หน้าดาันดานอย่างนั้น อ, อ่มามันหน้า ด, าดาันดานไม่เจ็บเฉยเขาด่าก็จังสิว่าฉันจะเป็นอย่างนี้จะทําไมอะไรเงี้ย อัตมาก็ว่าอัตมาไม่เป็นเขาด่าป้าว่าคิด ท, ทันทีเราเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาด่าเขาว่าเขาจะชี้ลงไปว่าเราชั่วอย่างนี้เราเลวอย่างนี้อัตมาก็ก็คิดนะก็ตรวจตรวจจนกระทั่งว่าเออก็ด่าลูกเก่าอะตรวจตั้งหลายทีแล้วไอ้อย่างเงี้อก็เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีมุมใหม่ไหมด่านี่มีเนื้อหาเหตุผลใหม่ไหมมีมุมใหม่แง่ใหม่ไหมเออมีมุมใหม่แง่ใหม่วิจัยแล้วก็เอามาพิจารณาตรวจอีก ถ้แง่เก่าเรื่องเก่าที่ตื้นๆอยู่ยังเก่านั่นแหละอย่างนี้ตรวจหลายทีแล้วด่าหลายทีแล้วนะด่าซ้ํำซากด่าไม่เปลี่ยนเลยเออด่าไม่เปลี่ยนไม่ไม่ด่าไม่ใหม่เลยจะด่ายังไงไม่ใช่ว่าคนแต่งตัวดีๆใส่เสื้อผ้าหรูหราูุฟฟาเท่านั้นเออด่าไม่เปลี่ยนไม่ไม่ ด่าไม่ใหม่เลยจะด่ายังไงด่าด่าไม่แปลกประจากเก่าด่าไม่ใหม่เลยด่าเก่าๆดายังรู้แล้วน่ะไอ้ยางเงี้ยมิตรรู้สึกอย่างเงี้อ่ะนะมิตรรู้สึกแต่ก็ไม่ได้โกรธเขานะคือไม่ให้อะไรใหม่เราเลยเออเอ็งนึกว่าอะไรวะด่าก็ไม่ฉลาดด่าไม่ใหม่ด่าไม่หามุมที่มันได้ประโยชน์อีกเพิ่มเติมดายัง จริงๆแล้วก็ถ้าจะแปลไปลึกๆก็คือว่าพ่เถอะด่าอย่างโง่ๆอยู่อย่างเดิมอ่ะทําไมไม่ฉลาดกว่านี้เราด่าก็ด่าให้มันฉลาดสิด่ามีใหม่ๆมาให้เราหน่อยก็ยังดีด่าก็มีอะไรที่จะเราจะได้คุณค่าประโยชน์ยังจะหน้าหน้ายินดีหรือหน้าขอบคุณมั่งเออด่าอย่างนี้หน้าขอบคุณด่าได้ใหม่เพราะฉะนั้นใครด่าใครติใครเตียนใครชี้มีอะไรใหม่ๆก็เออก็ดีนะอย่างงี้หน้าชื่นใจหน้าขอบคุณ แต่ถ้าด่าซ้ําด่าซากก็ไม่ได้ไปไปไ ป, ไปชังอะไรเขาหรอกนะก็เป็นแต่เพียงว่าเฮ้ด่าอย่างเก่าๆอยู่นะั่นก็วางนั่นะก็วางด่าไม่ใหม่ด่าเก่าๆด่าอยู่อย่างเดิมนะด่าไม่พัฒนานม่ยังไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรนะคุณก็ฟังกันแล้วกันอาตมาก็ว่าอาตมาก็พูดไปให้มันรอบนะคุณค ง, คงเข้าใจนะฟังแล้วก็คงจะเข้าใจก็คงจะรู้สึก มนุสสึกอย่างนั้นจริงๆนะเขาด่าเขาอะไรก็คุณจะเห็นในความจริงอัตมาก็พวกเราอยู่อยู่ด้วยกันเป็นอยู่กันมาตั้งนานเขาด่าเขายังงอนย่างนี้อะไรก็เออเอาไปก็ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาติเตียนเราไม่ถงถึงด่าหรอกมันเป็นการชี้ขุมทรัพย์นะเป็นการชี้ขุมทรัพย์เอาเถอะการด่ามันอาจจะหยาบมันอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงมันอาจจะด้วยความโกรธความชัง ใส่ใครใส่ความอะไรก็เป็นได้นะ น, น้ําก็แรงนั่นก็ด่ามันก็คนเราก็ถือตัวเน่ยก็ในเมื่อเขาเองเขาด่านะเขาเอาความไม่ไม่รู้เขาเอาความโกรธมาผสมประเสมแล้วเขก็ด่าไม่จริงด่าอย่างโง่โ ง, งอะไรพวกนี้เราจะไปถือสาเขาทําไมพวกนี้ด่าก็ต้องสงสารเขา พวกนี้เราจะถือสาเราฟังแล้วโอ้ไอ้นี่ด่าเพราะมันหยาบหยาบด่าอย่างที่เรียกว่ามันไม่จริงเลยเอาอะไรมาด่าเอาอะไรมาพูดมาว่าเราถ้าผู้ใดแม้กโรกรธเกลียดหรือว่าใครด่าใครว่าใครทุกข์ใครตีใครทําอะไรอะไรนี่ก็ไม่โกรธไม่เกลียดได้นะก็ ก, ก, ก็เป็นผู้ยินดีในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งนั้นทั้งปวง แล้วเราก็ยินดีในธรรมเป็นที่เที่ยวไปธรรมดาจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเป็นที่เที่ยวไปในสภาพที่มันยังไม่ปรินิพานยังไม่ปรินิพานก็จะมีเป็นที่เที่ยวไปย่อมจะอวะจรไปย่อมจะโคจรไปยังจะย่อมจะเป็นที่ไปดําเนินไปอยู่คือยังไม่หยุดยังไม่จบยังไม่ศูนย์มันก็จะต้องดําเนินไปอยู่นะย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท บันเทิงในความไม่ประมาทก็คือรู้สึกอยู่ว่าเราไม่ประมาทนี้เป็นความบันเทิงถ้าเราประมาทเป็นความไม่บันเทิงฟังให้ดีนะเมื่อกี้พอคุณฟังแล้วอ่านให้ฟังไปรอบแร ก, ก็คงจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมากพอหยิบมาอธิบายขยายความเข้าแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรมากใช่ไหมมีอะไรลึกซึ้งมีอะไรซับซ้อนอยู่ในนั้นตั้งเยอะ ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาทแล้วอาการหรือความรู้สึกในความบันเทิงในความไม่ประมานนี่เราต้องเป็นผู้รู้รู้ว่าเราประมาทหรือไม่ตอนนี้ถ้าเราไม่ประมาทอยู่นี้แหละเป็นความเบิกบานร่าเริงหรือเป็นความบันเทิงของพระอริยเจ้าจะเป็นพระอริยเจ้าองค์ไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณทั้งหลายแลเนี่ยคุณเองคุณรู้สึกคุณลองนึกดูสิ เมื่อใดคุณรู้สึกว่าตัวเองนี่เราไม่ประมาทไม่ประมาทคืออะไรไม่ประมาทคือเรามีสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะมีสติสัมโพชฌงค์รู้ตัวว่าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวว่าเรามีอยู่ในมรรคอยู่ในอริยมรรคอยู่ในฐานะที่เราเออตอนนี้เราดีนะเรากำลังมีกุศลทั้งหลายเรากำลังมีความรอบรู้อยู่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อันเป็นกุศลอันยังดำเนินไปอันโคจรทั้งกายวาจาใจอันอวจรกำลังดำเนินไปกำลังเที่ยวไปกำลังเป็นไปในธรรมะทั้งหลายในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นี่ธรรมะคือสิ่งที่ทรงอยู่เนี่แล้วเราก็มีพฤติกรรมไปด้วยมีกิจกรรมไปด้วยจะมีถึงพิธีกรรมก็ตามกรรมทั้งหลายเนี่ยอาตมายังพยายามรวบรวมอยู่ได้มีพฤติกรรมกิจกรรมและพิธีกรรม กรรมทั้งหลายเนี่ยอาตมายังพยายามรวบรวมอย่ได้มีพฤติกรรมกิจกรรมและพิธีกรรมอาตมารวบรวมอยู่ขนาดนี้ว่าเรารวบรวมได้สรุปลงมีสามกรรมเนี่ยพฤติกรรมก็คือของเราทั้งหมดพฤติกรรมจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาใจแล้วก็กิจกรรมก็คือประกอบกับงานต่างๆเป็นกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมซึ่งเป็นการงานที่เรา เข้าใจกันรับพร้อมด้วยกันเห็นว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมที่จะทำร่วมกันแล้วเราก็ศรัทธาเรื่มใสพิธีนี้ด้วยกันนะก็รวบรวมได้สามนี่เป็นสิ่งสรุปกรรมเพราะเราจะทำกรรมอันใดอยู่ในขณะไหนก็ตามที่ทรงอยู่ที่ควรจะต้องกระทาไปมันก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังได้ทำดีได้เป็นกุศล ได้รู้ระหว่างงานนี้คืองานเป็นกิจกรรมอันนี้คือพฤติกรรมทางกายวาจาและพฤติกรรมของใจของเราเรากําลังอ่านมนโนกรรมหรือพฤติกรรมของใจของเราออกอยู่ว่าแม้เรากําลังได้ขัดเกลากิเลสนะนี่มันโปร่งโล่งสว่างสวัยมันแม่เราจะรู้ตัวว่าเรามีกิเลส แม้เราจะรู้ตัวว่าเรากิเลสเออเรายังมีอยู่นะเราก็ได้ต่อสู้กับกิเลสเราก็ได้ทำสมถภาวนาเราก็ได้ทำวิปัสนาภาวนาไปอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำอยู่เดี๋ยวนี้ทำไปอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความเจริญนะงานกิจกรรมก็ทำไปพฤติกรรมเราก็ประกอบอยู่สังวรประทานประหารประธานเกิดภาวนาประทานด้วยซ้าโอ้ยิ่งดียิ่งเกิดผลดีอยู่ มันเป็นความไม่ประมาทมันเป็นความบันเทองมันเป็นความยินดีเป็นพระโยคาวจรที่กำลังได้มีกรรมทั้งหลายแหล่ที่ตนเองกำลังทำกำลังอยู่ในวาระนั้นขณนะนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนจะรู้สึกบันเทอง์คนจะรู้สึกเบิกบานเป็นพระโยคาวจรที่เบิกบานหรือยิ่งเป็นพระอริยะพระอราหันต์เป็นพระอริยะสูงสุดแล้วก็ตาม ท่านมีสติรู้ก็รู้ว่าขณะนี้เราเออเราอยู่ในภาวะที่กำลังทําอะไรก็แล้วแต่มีในพฤติกรรมในกิจกรรมในพิธีกรรมก็ทําก็รู้อยู่ว่าอันนี้กําลังเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทําพึงเป็นพึงไปและท่านก็จะมีมากใช่ไหมเพราะว่างานของท่านท่านไม่มีแล้วพระอาหารหันต์กิจของท่านที่ท่านเป็นพระโยคาวจรก็ไม่ต้องแล้วท่านบนรรลุแล้วท่านก็จะบันเทิงไปแล้วก็พยายามมากระทำทํากับ สิ่งอะไรแล้วแต่ตอนนี้จะทํากับมวลจะทํากับประชาชนจะทํากับคนอื่นจะทำกับอะไรเป็นประโยชน์ท่านที่จะต้องประมาณว่าประมาทหรือไม่ประมาทแล้วก็ประมาณว่าถ้าไม่ประมาทเออย่างนี้ไม่ประมาทมันก็บันเทิงร่าเริงมันก็รู้สึกเบิกบานใจถ้ารู้ตัวเออย่างนี้จะประมาทนะมันก็จะสะดุดหน่อยถ้าอันใดว่าไม่ประมาทก็จะบันเทิงไปเรื่อย ส่วนพโยค า, าวาจรเนะี่ยก็ได้มีประโยชน์ตนประโยชน์ทานอยู่ก็ได้รู้ตัวเองว่าได้มีสภาพอย่างนี้แล้วจะบันเทิงจริงๆ จ, จ, จะเบิกบานราเริง ม, มาเราเรากําลังอยู่ที่ดีเนาะกาลังยังกุศลได้ถึงพร้อมอยู่เนาะกาลังเป็นสิ่งที่จเจริญอยู่เนาะบอกแล้วว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งมีการปฏิบัติมีสังวรประธานประหารประธานยิ่งเกิดภาวนาประธานเกิดผลด้วยโอ้ยมันยิ่งทำไมมันยิ่งบันเทิงมันยิ่งปีติปสัสสัทธิอะไร มันยิ่งมีจะเป็นอุปกิเลสซ้อนอยู่ก็ตามหรือไม่ยิ่งไม่มีอุปกิเลสมันก็ยิ่งมีลักษณะซ้อนเชิงที่ว่ามันบันเทิงมันเบิกบานร่าเริงมันเป็นคุณลักษณะอันหนึ่งของพุทธคุณเป็นลักษณะของพุทธคุณอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันไม่ได้มันเป็นสุขนี่แหละจะเรียกว่าสุกวูปสมสุขที่เป็นความสงบ สุขเพราะว่ามันเป็นความลดละกิเลสมันสงบมันไม่ได้จี๋จ่ามันโยมันมืนมืนโลกียะมันไม่ไม่เป็นโลกิยารมณ์เลยมันไม่เป็นอย่างโลกิยารม์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอาการจืดชืดมันไม่เป็นการอย่างที่เราคิดว่าโอ้ยท่านบไม่มีอะไรเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีนิถารมอนิถารมกลายเป็นจิตอภยกิจเอ๊มันจะเป็นยังไง มันเดาไม่ออกหรอกแต่ว่ามันมีสภาวะพวกนี้นะถ้าจะไปพูดเมื่อแปลเป็นสภาวะหยากอิทารมอ น, นิทารมไปแล้วเอาละอ น, นิธารมไม่มีเป็นอิทธารมก็ตามกลายเป็นสภาพอารมณ์ที่มันยืดยินดีรื่นรมย่างโลกโลกมันก็จะกลายเป็นภาษาที่สอยถึงอารมณ์หยากนี่มันไม่ใช่อารมณ์หยากมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์มมที่ละเอียด มากแล้วนะไม่มีทุลีหมองไม่มีทุลีเริงนะอโศกวิรัชะวิรัชะไม่มีทุลีเริงไม่มีทุลีที่จะต้องมีสภาพที่จะต้องเกิดอาการรู้สึกว่าเออเป็นอารมณ์ที่โปรง่งว่างบันเทิงสบายโลง่งสดชื่นจะบอกร่าเริงมันก็เป็นภาษาไทยนะที่หยาบอยู่นะ บกร่าเริงปรเดี๋ยวก็เต้นชิงเท่านั้นเองมันก็อยังงั้นน่ะลักษณะโน้มเอ็นไปอย่างนั้นน่ะคือมันไม่ดูมนมองไม่ดูอับเฉาไม่ดูขัดเคืองไม่ดูอึดอัดไม่ดูอะไรเลยมันโปร่งโล่งสบายยินดีอะไรก็แล้วแต่แม้จะกระทบกับศัตรูแม้จะพบอยู่กับหน้าศัตรู และศัตรูก็กําลังทําสิ่งที่เราควรจะทุกข์ถ้าเป็นคนธรรมดาต้องทุกข์อย่างน้อยก็ไม่ชอบใจแต่นี้ก็ไม่มีคําไม่ชอบใจไม่อึดอัดไม่มีอุปยาต์ไม่มีอุปยาสะไม่ขัดไม่คล่องไม่ขัดไม่คล่องจะมียังไงมาก็มีมา่อาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไงภาษาไทย มันไม่ขัดมันไม่คล้องเออคนที่เป็นศัตรูจะว่าไงก็ว่ามาสิก็โล่งๆเฉยๆจะว่าไงก็ว่ากันไปตอบกันได้ก็ตอบออะไรที่จะทําให้มันดีกันได้ก็ทําทําดีไม่ได้เขาจะทำร้ายกับเราก็เออทำร้ายกับเราก็ทําก็ทํากับเราได้ก็ทําไปถ้าเราหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็เปี้ยกหลบไม่ได้ก็เจ็บมั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เท่านั้นเองนี่อาตมาก็ไม่รู้จะบรรยายไงแล้วนะนะ พยายามอธิบายภาษาไทยภาษาธรรมด า, าธรรมดายคุณฟังให้มันทราบถึงอารมณ์พวงนี้นะมันย่ำบันเทิงในความไม่ประมาทผู้นั้นมีความเพ่งทําความเพียรติดต่อมีความบากบัน่นมั่นเป็นนิดเขาพยายามแปลคงจะมีภาษาบาลีที่มันบอกถึงภาษาที่เน้นความมันนะพยายามแปลให้ละเอียดเหมือนกันผู้นั้นมีความเพ่งหมายความว่ามีเจตนา เพ่งเนี่ยม yes> ีความตั้งใจมุ่งเพ่งมีความตั้งใจมุ่งอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนหลดแหละไม่ใช่เป็นคนที่หลบไม่หลบนะมีอะไรก็เผชิญความเพ่งมีอะไรก็เผชิญมีความมุ่งมีจิตรับอยู่ไม่ไม่ได้หลบหนีมีจิตรับมีจิตเผชิญมีความมีจิตเจตสิกมีความตั้งใจเผชิญอยู่นะมีความเพ่ง เป็นทำความเพียรต่อทำความเพียรติดต่อความเพียรติดต่อหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไระสิ่งนี้มาม า, มาเชิญมาประสัมผัสมาประจนเมื่อมสิ่งนี้มากระทบมาสัมผัสอยู่เราไม่หนีนี่เรกว่าเพ่งไม่หนีเรามีความมุ่งที่จะดำเนินไปที่จะทำร่วมไปด้วยเรียกว่าเพ่งเสร็จแล้วก็มีความเพียรในตัวเองเนี่ยเพียร กุศลอะไรที่จะทำต่อไปเราจะวิจัยสิ่งที่มันจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะต้องวิจัยตลอดเวลาจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดอะไรขึ้นมาในลักษณะไหนละ่ะก็เราก็จะรับรู้และ ว, วิจัยวิจัยแล้วเราก็จะเพียรวิจัยนะมีวิริยะสัมโพธชงแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโภธชงนะเราก็จะทาเพียรต่อไปบากบั่นต่อไป มุ่งมั่นต่อไปอยู่ต่อเนื่องเป็นนิสเสมอเสมอต่อไปเพื่อที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมไปเสมอเพราะวิวจัยกุศลอ ก, กุศลเท่านั้นจะมีความฉเฉลียวฉลาดที่ได้ทําบทฝึกหัดพวกนี้ต่อไปไม่มีหยุดยั้งคุณเป็นพระโยคาวจรคุณจะเป็นพระอริยเจา้าคุณจะเป็นพระอรหันต์ก็วิจัยต่อไปวิจัยของเราหมดแล้วก็วิจัยของอันอื่นต่อโลกวิทู วิจัยโรกวิธูวิจัยอืนอ่นๆต่อมันจะเจริญงอกงามมันจะไม่มีการจบสิ้นเลยมันจะเจริญยิ่งๆไม่มีที่จบที่สิ้นอย่างนี้นะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็เบิกบานน้าเรืองเราได้เป็นผู้ที่ใหญ่พัฒนาเป็นผู้ได้พบความเจริญได้กระทำอันเป็นไปจะเป็นโคจร อ, อวจรจะได้ดาเนินไปในขณะดาเนินไปก็ดำเนินไปสู่ความเจริญอยู่ตลอดกลาลนาน ประโยชน์ตนอันได้ทำจนจบสิ้นแล้วก็มีประโยชน์ท่านอยู่หรือยังไม่จบเราก็ได้ทำประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านต่อไปอยู่เรื่อยๆคนที่รู้ว่าเราเองเรามีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยู่ตลอดเรื่อยไปเนี่ยย่อมเบิกบานร่าเริงย่อมบันเทิงใจเหตุเกิดเพราะเราภาคเพี้ยนเหตุเกิดเพราะเราไม่ประมาทเพราะคำว่าประมาหรือไม่ประมาทเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้นะ แล้วท่านก็บอกว่าเป็นผู้ฉลาดย่อมได้บรรลุพระนิพพานอันปลอดโปร่งจากโยคะวงเล็บโยคะว่ากิเลสประกอบสัตว์ไว้ในความเวียนว่ายตายเกิดปลอดโปร่งจากโยคะหมายความว่าหมดกิเลสดับสิ้นทั้งปวงเป็นผู้ย่อมได้บรรลุนิพพานแล้วก็ปลอดโปร่งมันปลอดโปร่งเมื่อนั้นใจคอมันก็โปร่งโลมีเรื่องอะไรมาก็รับรู้รับรู้รับฟังเสร็จแล้วก็ปรุงร่วมได้ แต่ปรุงร่วมร่วงก็ไม่อึดอัดอะไรเป็นแต่เพียงทำงานขณะทำงานมันก็จะมีการปรุงมันก็จะมีการเจ้าเรียกว่าอะไรในขณะทำงานก็จะต้องใช้พลังงานเข้าไปทำกับสิ่งนั้ น, นใช้พลังงานเข้าไปทำกับสิ่งนั้นมันก็จะดูเข้มเข้มเข็งเข่งดูแน่นแน่นรวมรวมเข้าไปทำเป็นกิจเท่า น, นั้นเองนอธิบายภสภาวะ จะเป็นอารมณ์จะเป็นกรรมก็าตามจะเป็นงานเกรงเนื้อเก็งตัวจะเป็นกล้ามเนื้อกับเก็งเนื้อเก็งตัวทํากับอันนั้นมีสมาธิเรือว่ามีความเพ่งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่กับอันนั้นมันก็อาจจะดูเคร่งเ่งดูแข็งแข็งดูไม่เกี่ยวกับอันอื่นอ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไมไม่ไม่โปรยยิ้มไม่ปลปอยกระจายอะไรไปกับอันอื่นบ้างมันก็เป็นลักษณะจริงๆนะ จะเป็นกายกรรมก็ดีวิจีกรรมก็ดีโดยเฉพาะมโนกรรมก็ตามมันก็จะเป็นสิ่งรวมเป็นสิ่งที่นั่นที่เข้ามาทํางานอยู่บ้างเพราะงั้นจะจะมีสภาวะที่เหมือนกันในช่วงนั้นขณะนั้นนี่เหมือนกับที่เครียดเค่งเ่งแข็งแข็งมันไม่กระจายไม่บานไม่โปรยออกไม่ยิ้มแยม้มเหมือนกับไม่ยิ้มแยม้ม ไม่โปรอยออกไม่บาดออกไปมันรวมเข้ามาไม่รู้จะพูดภาษาอะไรนะก็คงเข้าใจนะสภาวะที่อธิบายถึงทุกอย่างแม้แต่ในอารมณ์ก็เป็นอารมณ์รวมอารมณ์เข้มแข็งอารมณ์พนึกเข้าในขณะที่เป็นงานที่จะต้องต้องมุ่งมั่นต้องเพ่งอันนั้นอันนั้นเพรลักษณะพวกนี้มันก็มีสลับไปสลับมา แต่เมื่อคนอื่นจะจะก็ใครเขารู้แล้วก็เผยได้โปรยได้ยิ้มได้หรือว่าคลายออกได้แต่ในขณะที่จะต้องทํางานอยู่ก็คลายออกได้น้อยเพราะว่าจะต้องสนใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับนนั้นอยู่ก็คลายออกได้น้อยในพยายามว่าภาษาวัตถุหยับหยามอธิบายถึงศักษณะละเอียดแม้กระทั่งในอารมณ์ในขณะในสภาพที่จะต้องปรุงหรือจะต้องทํางานมาให้คุณฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอุดตันทุกข์ แมีลักษณะเหมือนเครียดลักษณะเหมือนเข้มลักษณะเหมือนแข็งลักษณะเหมือนแน่นลักษณะเหมือนไม่เบิกเบยไม่เบิกบาน ไ, ไม่บานออกไม่ขย า, ายออกเข้าใจไหมนั่งกลุมอย่างนี้อยู่อ่ะเข้าใจไหมเนี่ยพยามาจะเข้าใจผมหมายถึงอะไรรู้นะเออฮยมีแต่คนฉลาดรู้ไหมท่าน ชินทโกเอาทัดจะจบเปย์ห ม, มตอบนั้ น, นล่ะไปมองคนอื่นทําไมลราตอบเองได้เลยเธอไหนไม่ชี้ถูกท่านท่านยังตอบเลยเข้าใจไหมตอบจะชา้างนี้เข้าใจไม่เข้าใจมากก็เข้าใจมั้งตอบจะชา้างนี้มันก็ยากอยู่นะอัตมาว่าพยาวปฏิบาตนี่มันนี่แหละงเงี่ยมันก็ยากอ ย, กอยู่นะพูดที่เข้าใจได้ทันทีผู้ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็คงจะมีว่าหมายถึงอะไรแท้แท้ ในอธิบายถึงสภาวะของจิตเจแตสิ่งรูปิภานเป็นปรมาติฏที่มันมากและมันเยอะและมันเป็นอย่างนี้และสภาพซับซ้อนพวกนี้เยอะนะวันนี้ได้ตั้งใจจะอธิบายอะไรอะไรเข้าไปให้เห็นว่าไอ้เรื่องความประมาทไม่ประมาทของปุถุชนก็บอกแล้วก็เป็นเพียงความตีความมง่ายๆก็แค่ความไม่ประมาทของคนธรรมดาในปุถุชนก็คือว่าเราไม่ระมัดระวังอะไรมากเราถือว่าประมาทก็เท่านั้นเอง แต่โดยความไม่ประมาทหรือความประมาทของาศาสนาของธรรมะเนี่ยมันลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อถึงข้อจริงเป็นจริงแล้วมันถึงความจริงแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ประมาทในฐานะไหนก็ฐานะนั้นฐานะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเป็นบอกแล้วท่าปฏิบัติธรรมของพุทธและทํางานด้วยมีทางสังกปะ ว, า, ว า, ารจกรรมมนตะเป็นการงานสมาอาชีวะอะไรด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมด้วย ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าเออเราขนาดนี้เราจเจริญอยู่ทั้งสองส่วนการงานปฏิบัติธรรมดาเป็นกิจกรรมเราก็มีกิจกรรมพฤติกรรมเราเออกายกรรมวจิกรรมเราก็ได้สังวรเราก็ได้จัดแจงนะอย่างนี้กําลังดีกําลังพอเหมาะกําลังได้สัดส่วนกําลังได้กุศลกาลังจเจริญกําลังไม่ดูงามดูดีปรับไปมันมากไปน้อยไปก็ปรับเสียงดังไปเสียงหยาบไปภาษาสำนวนสำเนียงไม่ดีปรับ ได้มีสติสัมพชัญญารู้แล้วก็วิจัยจะมีมุทุภูเตกรรมณีเยมีความแววไวมีความรอบรัดมีความเร็วแล้วก็ดัดมันดัดไปด้วยดัดไปด้วยทําทั้งงานควบคุมทั้งงานนี่ยทำนี่ขีดนี้เขียนอนี้เรือว่ากำลังทุบ ก, กำลังต่อกกันนี้ก็ทําด้วยการงานที่เป็นกิจกรรมพฤติกรรมของเราก็คุมด้วยคุมพฤติกรรมของเราด้วยแม้จะมีพิธีกรรมกาลังเตะถ้าทําพิธีกรรมนนท์นี่อะไรก็ตามแต่เราก็ได้คุมด้วยได้สังวรได้ประหาร ข้อสำคัญมีตัวประหารประหารตัวที่มันเป็นกิเลสนะอันนี้เป็นภาคปฏิบัติธรรมรสมประทานสีหรือจะเรียกว่าเอาไปอธิบายอยากก็ได้ประหารอากุศลกรรมในทางพฤติกรรมก็ดีกิจกรรมงานไม่ดีงานมันไม่สวยงานมันไม่เจริญ ง, งานมันไม่ได้เรื่องแล้วก็ได้ปรับมันจะเอาไปเรียกว่าประหารสิ่งที่มันไม่ดีออกเอาไปอธิบายถึงสภาพวัตถุนอกก็ยังได้จะ อ, อธิบาย แต่ที่จริงประหารประทานนั้นมันในประหารกิเลสได้่ากิเลสนะสิ่งที่เราเลิกละทางด้านที่ไม่ดีเนี่ยทาลายออกไปในงานข้างนอกในกิจกรรมข้างนอกแต่ประหารประทานตัวนี้จะเอาไปอธิบายอย่างโน้นบ้างก็ยังได้แต่แท้จริงเราได้ทำทั้งนอกแล้วในโดยเฉพาะในโดยเฉพาะพฤติกรรมอย่างนี้ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเคยรู้สึกกันบั้งไห ม, ม เ, เราว่ามันแหนเรา สบายใจนะว่าเรากำลังได้นำเนินการได้เป็นนักปฏิบัติเป็นนิสิตนี่พระนิสิตหรือว่านักปฏิบัติธรรมนิสิตเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานปฏิบัติธรรมที่แท้ในทุกๆขณะในทุกๆ ก, การงานในทุทกๆที่ที่คุณจะโคจรไปจิตคุณจะเอาวาจรไปคุณจะไปอยู่ที่ในที่ไหนจะโคจรไปที่ไหนจะ ดำเนินไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะได้ทําอะไรอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามคุณไม่ได้ประมาทคุณไม่ได้ประมาทต้องใช้พลังปีติการที่พูดเนี่ยต้องใช้พลังต้องเพียรต้องพยายามกระทาให้ได้ไม่ใช่อา้าว ถ้า ง, ง่ายๆก็มาเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วสิฮะไม่ง่ายใช่ไหมจะทําไม่ทําอ่ะอ่ามันก็ต้องทําอ่ะกะะ็เอาเท่านี้ก็ต้องทอําำต้องพยายามอะ่ะถึงบอกว่าความเพียรหรือความพยายามมีนเห็นว่ามันเป็นยังไงเดียรยากหรือง่ายความเพียรพยายามอันนี้ มันเห lane, ็นว่าความเพียรเนี่ยมันต้องเพียรเพียรแล้วทําไม่ได้อย่างนี้ประกอบไปทั้งพฤติกรรมประกอบไปทั้งกิจกรรมประกอบไปทั้งพิธีกรรมด้วยก็ตามคราใดเป็นพิธีกรรมคราใดเป็นกิจกรรมพฤติกรรมของเราก็ร่วมอยู่ทั้งหมดทั้งกายวาจาใจในกิจกรรมใดๆก็ต้องมีพฤติกรรมในพิธีกรรมใดก็ต้องมีพฤติกรรมเราก็ร่วมทั้งนั้นกิจกรรมก็ถือว่างานทั่วไปพิธีกรรมก็ถือว่างานที่เป็นพิธีจะเป็นพิธีทางรับจะเป็นพิธีทาง สังคมสังคมส่วนนอกหรือพิธีกรรมของศาสนากฎตามถือเป็นจารีประเภทนีพิธีกรรมส่วนกิจกรรมก็คืองานทั่วไปอะไรเียก็ต้องมีพฤติกรรมเราไปร่วมและในกรรมต่างๆนั่นแหละเรารู้จักกรรมเรารู้จักกรรมรู้จักการกระทารู้จักงานนอกงานใน รู้จักจริงๆว่างานนอกมีงานในมีแล้วเราได้ทำทั้งงานนอกงานในอยู่เสมอเสมอและเราก็ไม่ได้ประมาทเรารู้สึกว่าเราได้ผลดีทั้งงานนอกงานในโอ้ทำงานนอกก็ได้ทำอยู่ตลอดเวลาคนว่าไม่ได้งานนอกนี่คนรู้คนเห็นเพราะงานนอกมันจะเป็นเรื่องของประโยชน์ที่ก็เข้าใจได้ยกอ้างได้งานในคนอื่นรู้กับเรายาก แล้วเราก็รู้ในตัวเราเนี่ยว่าเราไม่ได้ประมาทเลยเราได้ทํางานในของเราอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเรากําไรจ้าหูเลยแหมงานนอกเราก็ทําอยู่นะงานในเราก็มีสติสัมปชัดมีโพชงพร้อมมีโพธิปักขเยธรรมนะมีสติปทานสี่มีสมปทานสี่มีอิทธิบาทสี่อยู่พร้อมงานอื่นงานนอกก็ได้ทํางานในก็ได้ทำมันพร้อมกันมันเบิก บ, บานร่าเริงอยู่ทีเดียวอะ แม้คุณจะสู้กับข้าศึกข้างนอกหรือจะสู้กับข้าศึกข้างในที่เป็นกิเลส ข, ของเราอยู่มันจะแพ้มันบ้างมันยังยิ้มเลยบอกแม่เราได้ทํางานเราเป็นนักรบนะเราไม่ได้ลืมเราไม่ได้เป็นนักรบที่ตกหล่นเขาออกรบแล้วเราก็เลยนอนหลับเผลอไปไม่ตื่นเพื่อนไปรบอยู่ น, น่นเป็นนักรบที่เพื่อนเขาทอดทิ้งนอนเผลอไผลละเมออยู่ที่ ไหนก็แล้วแต่แต่เราได้เป็นนักรบที่ได้ อ, อกรบกับเพื่อนตลอดเวลามีศึกที่ไหนเราได้รบตลอดเวลาก็คือมีกิเลสเมื่อไรของเรานั่นแหละเราก็ได้รบกับกิเลสของเราตลอดเวลาเพื่อนก็คือเราเองนี่แหละเพื่อนไม่ทิ้งเราก็คือสติไม่ทิ้งเราสติเรามีความรู้ตัวเรามีเราได้รบทุกเวลาออกรบอยู่ทุกเวลาแล้วเราก็ได้ประโยชน์ทุกเวลา ดำเนินไปทุกเวลาเป็นไปเที่ยวไปจรไปคือดำเนินไปอยู่นั่นแหละอาวาจรหรือโคจารมันอาวาจรไปอยู่มันโคจารไปอยู่มันเป็นไปอยู่และเป็นไปอย่างพระโยคาวาจรที่ไม่บรรลุเป็นพระอรหรันตก็ยังทําจิตของเราจิตของท่านอยู่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีแต่จิตของท่านแล้วจิตของเราจากพระอรหรันต์จิตของตนหมดจบจิตสิ้นจิตของตนก็ทำแต่จิตของท่าน <surgeries> เอาละอันนั้นไม่ต้องไปพูดมากพูดที่จิตของเราเนี่ย เน้นๆอยู่นี่ค น, นเน้นๆพระโยคาวจรผู้ที่ยังไม่หมดกิจของตนก็ได้มีกิจของตนมีกิจของท่านจเจริญดําเนินไปดีอยู่ตลอดเวลาเบิกบานร่าเริงคนรู้ตัวอย่างนี้แหละชือตัวคําว่าไม่ประมาทนะย้อนขึ้นไปว่าผู้นั้นผู้ที่ได้ไม่ประมาทนั้นชื่อว่าไม่ตาย พระาะผู้ใดที่ไม่ประมาทอยู่ขณะใดผู้นั้นไม่ตายอยู่ขณะนั้นผู้นั้นยังอวจรผู้นั้นยังโคจรผู้นั้นยังดำเนินไปไปอย่างไรสุขโตสุขโตสุขโตสมักโตสมักโตถ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียกธรรมตถาคโตตถาคโนโ ต, ต, โตกําลังดําเนินไปอยู่ยังไม่จบยังไม่สิ้นยังไม่อนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุหรือยังไม่ปรินิพาน มันยังไม่ปรินิพานยังไม่ในอนุสาอนุสาอนุปษษาทิเสสนิาสพานธาตุก็ยังจะมีดําเนินไปอยู่ตลอดเวลาจะตายตายคําว่าไม่ตายนี่จะตายด้วยเนื้อนหนังก็ยังไม่ตายก็ยังดําเนินไปอยู่สุขโตสุขโตอยู่ยิงไม่ตายทางเนื้อนหนังแน่นอน ถ um galaxies, player, ้ายังไม่ตายในเนื้อหนังก็เห็นอยู่แล้วก็มันยังไม่ตายน่ยมันยังเป็นคนอยู่น่ยจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระธรรมดาเป็นพระโยคาวจรนธรรมดาก็ตามยังไม่ตายอยู่นียังไม่สิ้นลมหายใจอยู่นีมันก็ยิ่งแน่นอนว่าไม่ตายท่านบอกว่านี่ยผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายและไม่ตายก็คือว่าเป็นผู้อมตะผู้ไม่ตายเป็นผู้อมตะเป็นผู้สุขโตด้วยไม่ได้หมายความว่าไม่ตายคือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดด้วย นีสุดท้ายนี่บอกว่าเป็นผู้นิมปอดโปรงจากโยคะปอโปรงจากกิเลสที่ประกอบสับไว้ในความเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพระอาหารหันต์เจ้าเป็นผู้ที่ถึงย่อมได้บรรลุพระริพานหมดแล้วก็ดําเนินไปโดยที่เรียกว่าโปรดปอดโปรงไม่มีอะไรมาดึงมาถึงเป็นผู้ที่กิเลสตายหมดแล้วยิงเป็นผู้ไม่ตายใหญ่เลยเป็นผู้ไม่มีกิเลสมาทําให้บกพร่องมาทําให้สะดุด อะไรต่างๆนั่นนายิ่งดำเนินไปดีสุขโตสมัครโตตามฐานานาของพระดำเนินไปเลยนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้ตราบที่ไม่ประมาทเมื่อใดชื่อว่าไม่ตายและไม่ตายก็ไม่ใช่ตกต่ำอีกไม่ใช่อยู่ในวัฏฏสงสารอีกจะเจริญจเจริญ